วิธีการโดยส่วนใหญ่ในยุคนี้เราพุ๊บปั๊บไปทําเลยทีเดียวไม่ได้การเจริญอาณาปณะสติเป็นต้นเหล่านี้พุ๊บปั๊บไปทําเลยมันก็เคยเป็นเป็นผลเสียไปเออในวันนี้ทาง <c oughs> อุพันเยบ็บบอกว่าอยากจะรู้เรื่องของอุปาทานขันเนี่ยห้าอรสาระ ของอุปาทานเนี่ยในคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกเนาะอุปาทานก็หมายถึงความกำหนดด้วยอำนาจแห่งความพอใจในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารวิญญาณที่ปรากฏอยู่ในอุปาทานปปออิปริวัตนสูตรที่พระพุทธเจ้ากล่าวบอกว่าภิกษุทั้งหลาย อุปาทานาขันห้าประการนี้อุปาทานาขันห้านี้มีอะไรบ้าง1ก็คือรูปูปาทานขันอุปาทานขันคือรูปเวทนูปาทานาขันอุปาทานขันคือเวทนาสัญญูปาทานขันอุปาทานขันคือสัญญาสังขารูปปาทานขันอุปาทานขันคือสังขารวิญญาณูปาทานขันอุปาทานขันคือวิญญาณ ตราบใดเรายังไม่รู้ชัดอุปาทานขันห้าระการนี้โดยเวียนรอบรอบสามอาการ12เนี่ยตามความเป็นจริงตราบใดเราก็ยังไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ตัดสรู้โดยชอบซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์และเทวดาและมนุษย์นีเป็นต้นทีนี้อันนั้นคือ ใจความย่อๆในพัสูตรทีนี้ในความหมายของอุปาทานเนี่ยนั้นหมายถึงความยึดมั่นความยึดมั่นด้วยอำนาจแห่งกิเลสคือการยึดติดอันเนื่องมาแต่ตัณหาโูกพันเอาตัวเราเป็นที่ตั้งเอาตัวตนออัตตาตัวตนเป็นที่ตั้งหรือบางท่านถ้าในตอนสมัยเรียนอภิธรรม ถ้าอาจารย์สัทธรรมโชติกาธรรมจริยะเวลาเรียนพระพิธรรมเนี่ยเขาจะให้ความหมายอุปาทา น, นขันธ์ว้าสองนัยยะในแรกก็คือธรมเหล่าใดยึดถืออย่างแรงกล้าคือถือไว้ไม่ปล่อยฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าอุปาทานก็มาจากคำว่าผู้สังอาทิยันติอมุนจาหังใครหันตีตีอุปาทานนี้นานี้ก็แปลว่าเป็นธรรมชาติใดเนี่ย ก็หมายทำเราใดยึดอย่างแรงกล้าก็คือถือไว้ไม่ปล่อยถือไว้ไม่ปล่อย น, นั้นนะฉะนั้นทำเหล่านั้นเรียกว่าอุปาทานหรืออีกในหนึ่งก็คือทำเราใดอันบุคคลเข้าไปยึดมั่นฉะนั้นทำเหล่านั้นชื่อว่าอุปาทานมาจากคาว่าอุปาทียันตีติอุปาทานังฉะนั้นสรุปแล้วก็คืออุปาทานก็แปลวความยึดมั่นอย่างแรงกล้ายึดมั่นโดยไม่ปล่อยทีนี้ประเภทเของอุปาทานก่อน ไอตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในนี้ตัวขันห้าแต่ตัวอุปาทานตัวหลักจริงๆก็คือความยึดมั่นใช่สภาพที่เข้าไปยึดมั่นมีทั้งการมปราทานที่ปาทานสีรละประตุป า, า, าทานอัตตวัตุปาทานว่าไปเดี๋ยวจะไปขยายจะได้เข้าใจกันเสียทีว่าไออุปาทานเป็นแบบไหน <c oughs> ทีนี้ในประเภทของอุปาทานในภาพวิธรรม ดกบอกว่ามีสี่อย่างกามุปาทานที่ถุปาทานสีระพตุปาทานอัตวาทุปาทานกามุปาทานเป็นไนความพอใจความคข่ความกำหนัดความคข้ความเพิดเพลินความคข้ตัณหาความคข้สิเนหาคือความคข้ความเร่าร้อนคือความคข้ความสยบคือความคข้ในกามทั้งหลายอันใดชื่อว่ากามุปาทาน อันนี้ท่านพูดถึงเรื่องของความคลายความยินดีความเพลิดเพลินความคลายความร่า้นรนทั้งหลายที่ไปยินดีในสเสียงกินรสหรือยินดีในรูปก็ได้ไปยินดีในรูปในเสียงในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นการทุปาทานในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปส่วนทิฏฐุปาทานเป็นเชไหนความเหม็นว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลการบูชาไม่มีผลการบวงสรวงไม่มีผลผลวิบาก คำที่ทําดีทําชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ผู้จุติและอุบัติไม่มีสำนักพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่มีในโลกสำนักพราหมณ์ที่กระทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้โลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองและประกาศให้สัตว์อื่นรู้ตามด้วยนั่นะไม่มีเป็นต้นดังนี้ทิฏฐิคือความเห็นไปข้างทิฏฐิป่าชัดลกชัดคือทิฏฐิกันดานคือทิฏฐิความเห็นเป็นข้าศึกต่อสมาทิฏฐิ ความผันแปร แ, แห่งทิฏฐิสังโยชน์เครื่องผูกคือทิฏฐิความยึดถือความยึดมั่นความตั้งมั่นความถือผิดทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดบ่อกเกิดแห่งความพินาศการถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นนี้ว่าอันใดนี้เรียกว่าทิฏฐุปาทานอันนี้ขยายตามศัพท์ก่อนนะเดี๋ยวจะไปเข้าว่ากที เว้นสีรัุตุปาทานและอัตวาทุปาทานเสียมิจฉาทิฏฐิแม้ทุกอย่างจัดเป็นทิฏฐุปาทานเว้นการยึดมั่นในแบบแผนยดเว้นยึดมั่นในอุปในอัตตาในอัตตาตัวตนเสียนอกนั้นเป็นทิฏฐุปาทานเนาะสีรปัปตุปาทานเป็นอย่างไรความเห็นว่าความบริสุทธิ์ย่อมมีได้ด้วยศีลด้วยพจน์ ด้วยศีลพจน์ของสมณพราหมณ์ภายนอกแต่ศาสนานี้ดังนี้ทิฏฐิความเห็นเป็นข้างทิฏฐิปาชัดคือทิฏฐิกันดานคือทิฏฐิความเห็นเป็นข้างข้าศึกต่อสมาทิฏฐิความผันแปรทิฏฐิสังโยชน์คือทิฏฐิเป็นต้นนี่ะลักษณะนี้เป็นศีและพรตัปราทานอัตวาทุปาทานเป็นอย่างไรปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับคือไร้การศึกษาไม่ได้เห็นพระรยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระรยเจ้า ไม่ได้ฝึกฝนในธรรมของปริยเจ้าไม่ได้เห็นสัตว์บุรุษทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของสัตว์บุรุษไม่ได้ฝึกฝนในธรรมมของสัตว์บุรุษทั้งหลายย่อมเป็นผู้ย่อมเป็นผู้เห็นรูปเป็นตนเห็นตนมีรูปเห็นรูปในตนเห็นตนในรูปเห็นตนเห็นตนในรูปย่อมเห็นเวทนาเป็นตนเห็นตนเป็นมีเวทนาเห็นเวทนาในตนเห็นตนในเวทนาเป็นต้น เห็นสัญญาว่าเป็นตนความจําว่าเป็นตนเห็นตนว่าเป็นสัญญาเห็นสัญญาในตนตนอยู่ในสัญญาเห็นสังขารเป็นตนเห็นตนมีสังขารเห็นสังขารในตนเห็นตนในสังขารย่อมเห็นวิญญาณเป็นตนหรือเห็นตนมีวิญญาณเห็นวิญญาณในตนเห็นตนในวิญญาณทิฏฐิความเห็นไปข้างทิฏฐิป่าชัดก็คือทิฏฐิรกชัดนะกันดารก็คือทิฏฐิ ความเห็นเป็นค่าศึกต่อสมาธิที่ตีความผันแปรที่ตีสังโยชน์เครื่องผูกก็คือทิฏฐิความยึดถือความยึดมั่นความตั้งมั่นความถือผิดทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดลทัทธิบ่กเกิดเห็นความพินาศการถือโดยวิปราทมีลักษณะเช่นนี้อันใด น, นี่เรียกอัตวาาอตวาตุปาทานอัตตวาตุปาทานกับสเคทิฏฐิอันเดียวกัน <c oughs> เดี๋ยว ตรงนี้ว่าตามสูตรนิดนึงเพื่อจะได้จะได้มีความเข้าใจบ้างนีกามุปาทานได้แก่ความยึดมั่นกามคือวัตถุกรมนะเพราะกามนั้นเป็นตัวยึดมั่นของคนทิฏฐุปาทานได้แก่อะไรยึดมั่นทิฏฐิทั้งหลายเพราะทิฏฐิเป็นตัวยึดมั่นของบุคคล เช่นเห็นอัตตาและโลกเป็นของเที่ยงเป็นต้นเนี่ยสี่รับประดุทานได้แก่ความยึดมั่นศีลและพจน์วัฒนธรรมประเพณีทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้เป็นตัวยึดมั่นเช่นประพฤติปฏิบัติเยี่ยงโคเยี่ยงสุนาขเป็นต้นเหล่านี้เป็นตัวอุปาทานทีเดียวเพราะเป็นความยึดมั่นความบริสุทธิ์มีได้ด้วยอาการอย่างนี้ต้องปฏิบัติอย่างนี้ต้องชําระตนแบบนี้ในทางที่ผิดอัตตวาธุปทานก็ได้แก่ความยึดมั่นด้วยการกล่าวว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเป็น อัตตานั้นเป็นเหตุให้เกิดความยึดมั่นของบุคคลผู้มีผู้เป็นปุถุชนทั้งหลายทีนี้ในด้านของอุปาทานทั้ง4เนี่ยสามารถแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเขาเรียกว่ากามุปาทานกลุ่มที่2ทิตตุปาทานสีระพตุปาทานและอัตวาทุปาทานในอุปาทานทั้ง4นั้นมีองค์ธรรมสองเท่านั้นก็คือโลภะเจตสิกกับทิฏฐิเจตสิกนะ มีแค่นี้แหละพวกการมุปาทานในองค์ธรรมได้แก่โลภะใช่ไหมถ้าเป็นอุปาทานก็เลยมีทิฐิก็เกิดร่วมเข้าก็เลยสองละคต2ส่วนทิฏฐุปาทานศีระปตุปาทานอัตวาทุปาทานก็ได้แก่ทิฐิเจตสิกคือการเห็นที่ผิดนี่เราจับองค์ธรรมให้ถูกก่อนในรายละเอียดของการมุปาทานได้แก่โลภะเจตสิกที่ในโลภะมูลจิต8ส่วนอุปาทาน3ก็คือทิฏฐุปาทานศีระปตุปาทานอัตวาทุปาทานนั้นน่ย ก็ได้แก่ทิฏฐิเจตสิกที่ในทิฏฐิกตาสามปรยุติเจตสทีนี้เจาะเข้าไปที่การมุปาทานความยึดมั่นในกามเป็นกิเลสที่ยึดติดพอใจกำหนัดใครแล้วก็เพลิดเพลินในอารมณ์ทั้งหลายอันได้แก่รูปที่มากระทบตาเสียงที่กระทบหูกลิ่นที่กระทบจมูกรสที่กระทบลิ้นสัมผัสที่กระทบกาย ส่วนทิฏุปาทานศีรพตุปาทานอัตวาทุปาทานนั้นเป็นกิเลสที่ยึดติดในส่วนที่เป็นความเห็นแนวความคิดความเชื่อทัศนคติที่ผิดของตนเขาเรียกว่าทิฏฐปาทานเนี่ยซึ่งเห็นผิดจากความเป็นจริงความจริงมันเป็นอีกอย่างแต่ตนเองก็ไปเห็นอีกอย่างนีมันเห็นผิดจากความเป็นจริงเมื่อเห็นผิดจากความเป็นจริงตามหลักธรรมที่ถูกต้องก็เป็นเหตุให้ปฏิบัติตามความเชื่อที่ผิด เมื่อปฏิบัติตามความเชื่อที่ผิดนั้นก็เลยกลายเป็นศีแล้วปรตูปาทานเป็นการยึดแบบแผนข้อปฏิบัติที่ผิดอย่างที่ปรากฏเป็นพิธีกรรมแบบงมงายต่างๆในปัจจุบันเนี่ยทั้งนี้ก็เพราะว่าความเห็นผิดที่ว่ามีเรามีเขามีสัตว์มีบุคคลมีอัตตาตัวตนเป็นต้นมีบุคคลตัวตนอยู่ก็เป็นกลายเป็นอัตวาทุปาทานเห็นไหมมันก็เลยสอดรับว่ามีตัวตนเป็นผู้กระทํามีตัวตนเป็นผู้รับผลของการกระทํา ก็เลยมีอัตราตัวตนเพราะเหตุขาดความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักธรรมในตามความเป็นจริงเป็นต้นทีนี้ว่าทัศนาก่อนกรณีที่การ ม, มุ ป, ปาทานเนี่ยถ้าความหมายของการ ม, มุ ป, ปาทานก็คือว่าการ ม, มุ ป, ปาทานก็คือความยึดถือกามกรมนั้นได้แก่วัตถุกรรมกับกิเลสการมอย่ไหมยึดถือกรรมก็คือยึดถือกรรมที่เป็นวัตถุ ได้แก่อะไรรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจทั้งหลายการ ม, มุบาทานยังหมายถึงความยึดมั่นทั้งที่เป็นตัวกิเลสกรรมด้วยไอตัวกิเลสเข้าไปยึดด้วยและตัววัตถุกรรมนะอันได้แก่สีเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์เป็นต้นด้วยกิเลสกรรมคือได้แก่อะไรได้แก่ตัวความใคร่ตัวโลภะเจตสิกเนี่ยเป็นต้นเหล่านี้นะเป็นกิเลสกรรมความยึด ทั้งที่เป็นตัวกิเลสกรรมและตัววัตถุกรรมวัตถุกรรมก็แก่ บ, บ้านรดทรัพย์ที่ดินบุตรภรรยาก็ว่าไปเถอะสรุปแล้วก็คือว่าได้ทีนี้กิเลสกรรมกับวัตถุกรรมนะว่าเป็นของคู่กันเพราะว่าถ้าปราศจากคู่คือปราศจากความเป็นคู่กันแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นทีนี้ว่า อ๋อคืออย่างนี้ว่าไอตัวกิเลสกามกับวัตถุกรรมเนี่ยกิเลสกามก็คือไอตัวกิเลสที่เป็นตัวใคร่เป็นตัวยินดีเป็นตัวเวิรเพลินตัวกิเลสเลยตัวราคาความกำหนัดอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นกิเลสชัดๆแล้วเป็นกิเลสกามแม้กิเลสทุกชนิดก็จัดเป็นกิเลสกามหมดเลยเราเราพาตัวสามโมหะพาไปเอยนี่ตัวกิเลสแต่ตัวกิเลสที่เป็นตัวไป เวลาเกิดขึ้นในจิตของบุคโปรตุชนคนบอดแล้วก็ทําให้สัตว์เหล่านั้นมีความรักความความยินดีมีความเพลิดเพลินมีความไข่ในการที่จะไปยินดีในรูปบั่งในเสียงบ้างในกลิ่นบ้างในรสบั่งในผลิภัพฑ์บ้างถ้าขยายออกมาก็เป็นบ้านเป็นทรัพย์เป็นที่ดินเป็นนาเป็นไร่เป็นพบภูมิเป็นขันเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยไอ้นั้นจัดเป็นอะไรวัตถุกรรมวัตถุกรรมถามว่ากิเลสกรรมยินดีในกิเลสกรรมได้ไหมได้ ความเห็นของเราถูกความเห็นของเราดีปัญญาของเราดีความเข้าใจของเราเจ๋งกว่าคนอื่นอะไรก็แล้วแต่เธอชอบความเห็นความเข้าใจของตนเองก็เลยไปยึดว่าความเห็นเป็นเราเป็นของของเราไปอีกเยอะนั่นก็ว่ากันไปทีนี้ไอ้ตัวการกระทบทั้งหลายลอะไรนี้กิเลสกรรมไอ้เป็นแต่นี้ถ้าเป็นตัวกามุปาทานก็คือเป็นกิเลสกรรมกับตัววัตถุ ก, กาม ทีนี้ทิฏฐุปาทานความยึดถือในทิฏฐิหรือยึดถือในความเห็นเป็นธรรมชาติที่ยึดถือไว้ในความเห็นผิดถ้าคำภี์วิสุทธิมาร์คท่านกล่าวว่าทิฏฐิอันยึดไว้ทิฏฐิยึดทิฏฐิก็คือไอ้ตรงนี้ก็หมายความว่าไอ้ตัวความเห็นเนี่ยความเห็นในที่เนี้ยคำสอนพระเจ้าเรียกว่าทิฏฐิ แต่ถ้าหากจะพูดกัได้ชัดก็ว่าถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็แปลว่าเห็นผิดใช่ไหมถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิก็แปลว่าเห็นชอบแต่ถ้าบอกทิฏฐิในพระวิธรรมเนี่ยต้องแปลว่าความเห็นผิดอย่างเดียวเพราะมีทิฏฐิเจตสิกประกอบในโลภก็แยกกันแต่ในลายพระสูตรท่านจะแยกเป็นสองอวสตแปลว่าทิฏฐิที่ควรนํามาพิจารณาในทิ่นี้ทิก็หมายถึงความคิดเห็นความเชื่อลัทธิ ทฤษฎีอุดมการณ์ต่างๆที่ยึดถือไว้โดยงมงายหรือโดยการเชิดชู ว, ว่าอย่างนั้นเท่านั้นอย่างนี้จริงอย่างอื่นไม่จริ ง, อ ย, งอย่างนี้จริงอย่างอื่นเท็จเป็นต้นน่ยก็ทําให้ปิดตัวคับแคบไม่ยอมรับฟังใครตัดโอกาสที่จะได้เจริญบัญญาหรือคิดตะลิดไปข้างเดียวตลอดเป็นเหตุแห่งการเบียดเบียนบีบคั้นผู้อื่นให้ถืออย่างที่ตนเองถือให้เห็นอย่างที่ตนเองเห็น ความยึดติดในทิศดีในลัทธิในความเชื่อในอุดมการทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นถือความเห็นเป็นความจริงเข้าใจยังเข้าใจคำว่าถือความเห็นเป็นความจริงไหมไปเอาความเห็นของตนเองเป็นความจริงแล้วก็ต้องการให้คนอื่นบุคคลอื่นเห็นตามความเห็นของตนเองเพราะไปยึดมั่นแล้วว่าอันนี้ที่ตนเองเห็นนี้เท่านั้นว่าเป็นความจริงนี้เป็นต้นจ ใช่ลักษณะอย่างนี้แม้ไปยึดในสิ่งที่ถูกมันเป็นความผิดหรือความถูกอ่ะสมมติยึดปัญญาไปยึดปัญญาว่าเป็นความเห็นของเราความรู้ของเราเจ๋ง <c oughs> ดีไหม <c oughs> ไอตัวปัญญามันดีอยู่แล้วแต่การที่ไปยึดปัญญาเนี่ยมันไม่ถูกอย่างนี้เป็นต้นนั้นคำว่าทิศถูก ปาทานก็หมายถึงสภาพจิตที่ไปยึดมั่นในความเห็นผิดอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่ตรงกับหลักความจริงหรือกฎความจริงจัดเป็นวิชาทิฐิทีนี้ทิฐิยังแบ่งออกเยอะเลย1ถ้าแบ่งเป็นสองก็เรีกสัตสตาทิฏฐิคือความเห็นว่าเที่ยงเห็นว่าอัตตาและโลกเที่ยงแท้ยังยืนตลอดไปอา้าวมีใครมีความเห็นแบบนี้ไหมเน้นเห็นไหมอัตตาและโลกเที่ยง เลยพวกพันเห็นไหมเห็นว่าอัตตาและโลกนี้เที่ยงไหมไม่เที่ยงไม่ได้เห็นเนะยเห็นว่าขาดศูนย์ไหมอัตตาและโลกจากพินาตขาดศูนย์หมดสิ้นไปเห็นอย่างนี้ไหมคือไปเห็นไปเห็นมีเห็น คำเหวี่ยนว่าอัตตาอัตตาตัวตนเนี่ยมันขาดศูนย์คื อ, อ, อถ้าเห็นห ย, ยาบๆหน่อยก็คือตายแล้วก็หมดไม่มีการสืบต่อการเห็นลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นอุเฉต ท, ทิฏฐิเห็นว่าขาดศูนย์เพราะเรียนวิทยาศาสตร์มาเป็นอย่างงั้นนี่มันเลยเป็นการตัด เป็นการขาดคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเขาทําสติติดูแล้วเนี่ยที่เรียนมามากๆตั้งหลายเป็นอุเฉะระทิฐิเพราะเห็นว่ามันมีชาติเดียวพบเดียวเยวพราะมันเดี๋ยวมัน ก, ก, ก็เหมือนต้นไม้อะตายเลยเท่าไม่เห็นสืบต่อเลยมันก็ตายหมดใช่ไหมเนี่ยการเห็นลักษณะนี้ก็เเป็นทิฐิชนิดหนึ่งการที่เห็นอย่างเนี้ย ไปยึดอย่างนี้ยึดทฤษฎียึดความเห็นยึดความเชื่ออย่างนี้เพราะไม่ได้เข้าใจเหตุปัจจัยตามความเป็นจริงไม่เข้าใจกระบวนการการสืบต่อว่ามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันยังไงไอตัวรูปเวทน า, าสัญญาสังขารวิญญาณหรือกระแสชีวิตเนี่ยที่มันมีการเกิดดับสืบต่อทั้งหลายเหล่านี้แท้ที่จริงนะมันยังมีเหตุปัจจัยอยู่เป็นตัวเป็นปัจจัยเกื้อหนุน เมื่อเหตุปัจจัยมันยังมีอยู่ตรากตราการสืบต่อมันก็ไม่จบไม่สิ้นไม่เข้าใจกระบวนการเหตุปัจจัยตัวนี้อย่างยกตัวอย่างเช่นแค่รูปขระคันเนี่ยนะรูปขระคันอย่างเดียวเนี่ยว่าเราก็ไม่รู้เหตุปัจจัยว่ารูปธรรม ท, ทั้งหลายที่มันเกิดจากอุตุความเย็นความร้อนมันก็ทําให้รูปธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็มีอุตุเกิดดับสืบต่อแม้รูปธรรมจรงเกิดดับสืบต่อก็มี อาหารที่เรากินเข้าไปก็เป็นเสพไปหล่อเลี้ยงในกระแสชีวิตทําให้รูปธรรม ท, ที่เสื่อมโทรมเกิดขึ้นเกิดดับสืบต่อแม้ตัวอาหารที่กินเข้าไปก็เกิดดับสืบต่อก็ไม่เข้าไปรู้แม้จิตการคิดแต่ละครั้งเช่นกุศลจิตเกิดกกุศลจิตเกิดวิปากจิตเกิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในขณะที่กระบวนการความคิดเกิดขึ้นมันก็เป็นปัจจัยให้รูปธรรมเกิดดับสืบต่อด้วยและจิตก็เกิดดับสืบต่อด้วยอย่างเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจ เช่นจิตที่คิดจะยืนจิตที่คิดจะเดินจิตที่คิดจะนั่งจิตที่คิดจะนอนเป็นไปอยู่ก็ทําให้อากับกริยารูปธรรมที่ยืนรูปธรรมที่เดินรูปธรรมที่นั่งรูปธรรมที่นอนเนี่ยมันก็เกิดดับสืบต่อเป็นไปตามลําดับเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจกระบวนการว่าจิตมันเป็นปัจจัยแก่รูปธรรมอย่างไรโดยเฉพาะกรรมอวิชชาตัณหาอุปาทานสังขารและกรรมศาสตร์ทั้งหลายที่ทําไว้ทําไม่ได้จักผูกภาสาโซตัสภาษ า, า, ษาทาไม่ได้ตาหูจมูกเล่นกายใจอันนี้มันเป็นกรรมเก่ายัางไง และกรรมเก่าตัวนี้ที่มันเกิดดับสืบต่ออยู่เนี่ยมันมาจากกุศลกรรมอกุศลกรรมที่เป็นตัวเป็นปัจจัยทําให้รูปธรรมเหล่านี้มันเกิดดับสืบต่ อ, อยังไงก็ไม่เข้าใจการไม่มีข้อมูลเรื่องเหตุปัจจัยสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงนี่แหละก็เลยยึดมั่นถือมั่นในทฤษฎีในหลักการที่ตนเองใช้ความเห็นล้วนๆแต่ไม่ได้มีปัญญาเข้าไปเห็นความจริงของกระแสชีวิตจริงๆก็เลยไปตัดรอนลงไปว่าตายแล้วมันขาดศูนย์บ้างอัตตาและโลก มีพินาศขาดศูนย์บ้างนี้เป็นต้นเข้าใจยังอีกอย่างหนึ่งทิฏฐิอีก3ประการในไะด้แก่อกเริยทิฏฐิความเห็นว่าไม่เป็นอันธรรมเห็นว่าการกระทํามันไม่มีผลก็คือการกระทำเนะี่ยไม่เรียกว่ากระทํำอะไรรองมันเป็นกิริยาการเท่านั้นเองไม่เรียกว่าดีไม่เรียกว่าชั่วมันเป็นเพียงกิริยาการทางกายกิริยาอาการทางวาจากิริยาการทางใจกิริยาทางพฤติกรรมทางกายพฤติกรรมทางวาจาหรือ ใจที่คิดก็เป็นแค่กิริยาเท่านั้นมันไม่ได้มีผลอะไรไปรองรับไม่เรียกว่าบุญไม่เรียกว่าบาปไม่เรียกว่าการกระทําใดๆทั้งนั้นมันเป็นเพียงกิริยาเท่านั้นที่มันผากออกมาฉะนั้นจะไป ม, มีผลมีผลเป็นไปไม่ได้ส่วนอีกอย่างหนึ่งก็เป็นอเหตทุกขาทิฏฐิเห็นว่าไม่มีเหตุสิ่งทั้งหลายไม่มีเหตุหรอกไม่มีเหตุแห่งบุญเหตุแห่งบาปทั้งหลายไม่มีทั้งนั้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นลอยๆมันมีบังเอิญ ทั้งนั้นบางทีก็นู่นเนี่ดวงดาวบ้างบางทีก็โชคชะตาบ้างมันไม่มีอะไรหรอกอย่างบ้านเมืองมันจะเป็นแบบนี้ได้มันก็อาศัยบางทีมันเหตุบังเอิญพอดีดาวดวงนั้นมาทับลัคนาดาวดวงนี้ก็เกิดภัยพิบัติตั้งหลายเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ไม่มีใครเป็นคอนโทรลได้หรอกมันมันมันไม่มีเหตุปัจจัยอะไรหรอกมันมันจะดีมันก็พุ่ขึ้นมาเองมันจะชั่วมันก็มันก็เป็นมันเองทุกอย่างเหล่านี้เราไม่สามารถกำกับหรือคอนโทรลอะไรได้มันไม่มีเหตุปัจจัยอะไรฉะนั้น ว่างั้นมันไม่มีเหตุเหตุแห่งสุขเหตุแห่งทุกข์ไม่มีนั้นทําดีทําชั่วแล้วจะไปเกิดไปตามว่าทําชั่วไปนรกทําดีไปสวรรค์มันไม่มีเหตุปัจจัยต่างๆเลยทุกอย่างนี้เป็นความบังเอิญหมดเลยพวกนี้บงคระลึกได้ด้วยนะระลึกชาติได้ด้วยนะแต่มันบรรลุได้ชาติเดียวอย่างนี้สมมุตินะโอชาติที่แล้วทําชั่วแล้วดันเป็นระลึกได้้เจ้าเนี้ย พอระลึกชาติที่ทอื่นทําชั่วได้ต่อมาเอ๊ะตนเองนั้นทำไมไม่เกิดเป็นสัตว์นรกมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่สามารถระลึกต่อต่อไปได้ว่าอ ก, กรรมที่ทําให้เกิดเป็นมนุษย์มันมีกุศลกรรมในอดีตนั่นน่ะมาส่งผลใกล้ตายแทนเป็นตัวปิดช่องบาปที่ทําในพบนั้นก็ทําให้มาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็ดดีเป็นต้นหรือคนรวยนี่ยหัมันทําชั่วร ะ, ระเบิด rubber เลยว่างั้นนะปัจจุบันเนี่ยเห็นเนกันอยู่ถ้ามันเหตุ มันมีเหตุปัจจัยเจ้านี้ต้องวิบัติแน่นอนมันไม่เห็นวิบัติเลยมันก็โหเนี่ยมันก็ยังชู์คอชูหน้าชูตาในสังคมร่ํารวยอยู่ดีมีสุขได้ยศถาบรรดาศักดิ์ได้เกียรติยศชื่อเสียงมีคนนับหน้าถือตาทั้งๆให้เจ้านี้ทําชั่วมากมายเลยเนี่ยแสดงให้เห็นชัดว่าเคดถึงดีเหตถึงชั่วมันมีอยู่จริงหรอกว่างั้นเถอะมันมันมันแล้วแต่บังเอิญเท่านั้นแหละของแบบเนี้เพราะไม่รู้เหตุปัจจัย ไม่รู้เหตุปัจจัยว่ากาลังกุศลมันยังมีให้ผลอยู่ตาบใดมันก็เบียดเบียนบาปไว้อยู่บาปที่ทำในปัจจุบันนี้มันยังไม่ได้โอกาสยังไม่ได้มันไม่ได้โอกาสในการที่จะให้ผลใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นแล้วมองเห็นไหมนี่ก็เรียกปฏิเสธเหตุก<ม>็จะเรียกอย่างนั้นก็ได้แต่อาศัยว่าจังหวะ 1. ไม่รู้จากคติวิบัติคติสมบัติ คือคติเนี่ยนะคติที่ไปเกิดเนี่ยเป็นคติที่มันเป็นคติวิบัติหรือคติที่ไปเกิดนั้นเป็นคติวิบัติยกตัวอย่างเช่นถ้าไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเป็ดอสุรกายคนบ้าบ้า บ, าบอดหนว่วกไอีย่ยคติวิบัติบาปมันก็ให้ผลง่ายๆที่ว่าไปเกิดในคติที่มันบาปที่จ้องให้ผลอยู่แล้วถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยทั้งๆที่ทําไม่ดีมาแล้วดันไปเกิดอยู่ในแวดวงของคนรวย ของคนมีอำนาจขึ้นมามันก็จ้องมันคติไปกันไว้นี่บาปก็เลยหาจังหวะยังไม่เจอใช่ไหมหาจังหวะไม่ได้มันก็เข้าโจมตีไม่ได้นี่เป็นต้นคติที่ไปเกิดมันเป็นที่ดีและไม่ดีคติวิบัติก็คือไปเกิดในที่ที่ไม่ดีบาปมันก็ให้ผลง่ายคติสมบัติไปเกิดในที่ที่ดีเนี่ยกุศลมันก็ให้ผลง่ายใช่ไมคนบางคนนึกไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีไปเกิดเป็นลูกเจ้าสัวงี้ย โอ้โหกุศลก็ให้ผลสิเพราะไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่ในคติที่ดีใช่ไหมล่ะหรืออุปธิอุปธิวิบัติเช่นไปได้ไปได้อัตภาพร่างกายที่ไม่ดีอุปธิวิบัติเช่นพิการบ้าใบา้บอดหนวกหรือเออปัญญาอ่อนอา้าวต่อให้ไปเกิดเป็นลูกของราชาหมากริยัหรือไปเกิดเป็นเจ้าบาจาเป็นดินหรือไปเกิดเป็นเจ้าสัวลูกเจ้าสัว ถามว่าอุปธิวิบัติอย่างนั้นแล้วจะได้รับเป็นรัตชัญายาดได้ไหมได้ไหมจะสืบทอดไอ้กิจการของพ่อได้ไหมได้ไหมปัญญาอ่อนเนี่ออยอ้าวยังสมมุติยอมเป็นมหาเศรษฐีมีลูกปัญญาอ่อนมาเกิดมีใครอุปธิวิบัตินะลูกไนงะแล้วยอมจะมอบสมบัติให้ลูกปัญญาอ่อนไหมปัญญาอ่อนน้ำลายไหลไม่รู้เรื่องแยกบุญแยกแยกดีแยกชั่วไม่ได้อา้าบุญจะให้ผลเขาได้ไหม การเป็นมหาเศรษฐีต่อจกยกยอมได้ไหมไม่ได้เป็นทหารก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่ได้ก็นปัญญาอ่อนเป็นอะไรอุปธิวิบัติแทนที่จะได้เนี้ยใช่ไหมไปเกิดในในในถิ่นที่ดีคติดีด้วยเกิดในถิ่นที่ดีด้วยเป็นลูกของคนรวยด้วยแต่อุปเขาเรียก ว, ว่าอุปธิร่างกายพิกลพิการจะนี่เนี่ยแทนที่บุญจะให้ผล ก็ให้ผลได้ไม่เต็มที่อย่างดีกเ็เลี้ยงมันไปดูแลมันไปเนี่ยจะยกเป็นใหญ่เป็นโตให้ไปเรียนจบรอได้ไหมได้ไหมปัญญาอ่อนไปเรียนได้ไหมไม่ได้เป็นทาหารไม่ได้ทั้งๆที่โยมสมมติโยมมีอำนาจเลยอโอ้โหจะแต่งตั้งใครก็ได้จะแต่งตั้งลูกชายได้ไหมแต่งตั้งไม่ได้ อ๋อ oh, ไปอยู่ตรงประประโยค่าผิดหรือประโยค่าถูกถ้าประโยค่าวิบัติบาปมันก็ให้ผลประกอบผิดเพี้ยนผิดอ่ะยกตัวอย่างนะต้อให้ไปเกิดได้คติสมบัติด้วยได้คติที่ดีด้วยมาเกิดพบชาติเป็นมนุษย์อยู่ในสิ่งแวดล้อมดีด้วยอุปทิศสมบัติด้วยโอ้โหรูปร่างหน้าตาหล่อเหลากำำัมยาเป็นต้นและเป็นลูกคนดีมีฐานะด้วยแบบไปรประโยชค่าวิบัติเพี้ยนผิด พบนับเกเพลงดื่มจุลาเมรีประกอบไม่เอาการเอางานตีหัวหมาดา่าแม่เจ็กเขกหัวลิงว่างั้นเถอะไปทั่วม่วงหมดเนี่ยทำพฤติกรรมต่างๆไม่ดีทําชื่อเสียงให้เสื่อมเสียเพราะประกอบผิดเนี่ยถามบอกว่าอย่างนี้ยอมจะตั้งเป็นทายาทและประกาศให้รับผิดชอบมรดกตกทอดยอมได้ไหมได้ไม่ได้ได้ไหมล่ะเพราะอะไรเขาประโยคววิบัติเขาเพี้ยนผิด ไม่รู้จะทํำยังไงไปติดยาเสพติดซะนี่ไปติดจับตัวนจับติดคุกติดตารางอยู่เรื่อยทำแต่เรื่องเสื่มเสื่อมเสียอที่จะให้บาปมันให้ผลไปเลยเขาเพี้ยนผิดไงโอ้โหเราก็ป้องกันใหม่ๆก็ป้องกันได้เอาเงินไปอุดไปกันในสารพัดหมวดไอ้เจ้านี้ก็เพี้ยนผิดตลอดถามว่าอย่างนี้บุญจะให้ผลหรือบาปให้ผลเนี่มันอยู่ตรงว่าบาปจะให้ขวนก่อนหรือบุญจะให้ผลก่อนอยู่ตรงที่ประโยค้าถูกเพี้ยนถูกประกอบถูก ถ้าประโยค้าถูกเพียรถูกประกอบถูกเนี่ยเหมือนเงินหน้าต่างเนี่ยเอ้ยลมมันจะเข้าด้านไหนลมมาทางทิศเหนือแต่ยอมไปเปิดประตูทิศใต้ผิดแล้วประโยค้าผิดแล้วยอมต้องเปิดทิศที่มีลมล ม, มนึงจะเข้านี่เหมือนการยอมต้องทําจังหวะมันถูกการถูกเวลาด้วยนะกุศลมันนึงจะให้ผลทานกุศลจะให้ผลก็เมือนเรารเราประโยค้ถูกเพียรถูกประกอบถูกศีลกุศลจะให้ผลก็เพียนถูกประกอบถูก สมาธิกุศลจะให้ผลก็ประกอบถูกเพียรถูกปัญญากุศลจะให้ผลก็เพียนถูกประกอบถูกมันถึงจะให้ผลเข้าใจใช่ไหมไม่ใช่ว่าทํามั่วๆแล้วได้ยกเว้นแต่ว่าไอ้ม่วของเราไปเดินถูกทางมันเลยได้มันอยู่ที่ต้องรู้เห็นไหมเนี่ยประโยคนานี่สําคัญที่สุดล้วอะไรกาละกาลสมบัติกับกาลวิบัติกาลวิบัติก็คือเกิดในการที่มีผู้นําเป็นคนมิจฉาทิฏฐิ โอ้โห oh, บาปให้ผลเลยเช่นผู้นำครอบครัวเป็นต้นเหล่านี้ยถ้าอยู่ในครอบครัวที่ผู้นำเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิโอ้โบาปมันให้ผลร ะ, tern, ระเบิดระเบ้อครอบครัวแทบพังเลยในหมู่บ้านนะั้นถ้ามีครอบครัวเดียวถ้ามีหัวหน้าหมู่บ้านนะเป็นมิจฉาทิฏฐิโอ้โหหมู่บ้านนั้นปั่นป่วนเลยบาปให้ผลกันพุ่นหมดในตำบล น, นั้นถ้ามีผู้นำตำบล น, นั้นมิจฉาทิฏฐิโอ้โหบาปมันก็ให้ผลมีแต่เอบาบยามุขของไม่ดีมาลงเลยนะหรือ ในอำเภอนั้นมีผู้นำที่เป็นมิจฉาทิฏฐิในจังหวัดนั้นเป็นผู้มีผู้นำเป็นมิจฉาทิฏฐิในภาคนั้นในประเทศนั้นในโลกมีผู้นำเป็นมิจฉาทิฏฐิโอ้โหปั่นป่วนกันตามลำดับของศักยภาพของผู้นำอันนี้เครียกกาละวิบัติถ้ากาละสมบัติก็คือมีผู้นำในครอบครัวเป็นสมมาทิฐิมีความเห็นถูกต้องดีงามมีผู้นำหมู่บ้านผู้นำตำบลผู้นำอำเภอผู้นำจังหวัดผู้นำภาคผู้นำประเทศผู้นำโลก ที่เป็นสมาธิทีโอ้โห oh, oh, oh, ยิงขับเคลื่อนสิ่งดีๆทั้งหลายมันให้ผลระเบิดระเบ้ออะเตมๆบมบบบมหมดเลยเข้าใจยางเอนี่ <c oughs> พอมองเห็นนะชัดไหมเนี่ยมันจะได้มองเห็นอ๋อ oh, <c oughs> มันเป็นอย่างนี้อย่าแปลกเลยบางครั้งเนี่ยเราลองทีถ้ายอมยอมทำดีเต็มที่เลยนะยอมเป็นคนทักยอมหนึ่งอุปธิดีด้วยร่างกายสมบูรณ ก็ได้คติดีด้วยเป็นมนุษย์ใช่ไหแล้วประกอบเพียรถูกด้วยขยันหมั่นเพียรเ น, นี่ยตำแหน่งหน้าที่การงานแต่หัวหน้าเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ชอบคนแบบโยมไอ้คนขยันแบบเนี้ยคนไม่ประจบสอบพลอย ไ, ไม่ชอบฉันชอบอีกคนอีกประเพดหนึ่งถามไปไม่มีทางจะขึ้นตำแหน่งนี่เขาเรียกอะไรการลวิบัติได้หัวหน้าผิดใช่ บางยุคบางสมัยเนี่ยถ้าผู้นำหรือผู้ยิ่งใหญ่ชอบกาบกอเนี่ยคนเก่งกาบกรขึ้นเป็นเป็นแผงเลยแต่าบางยุคบางสมัยผู้นำเขาเกลียดกาบกรบไอ้พวกนี้ก็โดนปลดล่วงเป็นละนาวเป็นลูกละนาวนมาออย่างนี้การและวิบัติการและสมบัติเนี่ยสําคัญมากคนบางคนจึงให้พลิกให้ผู้นำเป็นยังไงวะเฮ้ยกูพลิกตามว่ากูปรับสีวะเหมือนเหมือนจริงจกอ่ะให้สีขาวปรับเป็น เฮ้ยมันมืดก็ก็ปรับเป็นมัวๆหน่อยถ้ามันสว่างก็ก็ปรับเป็นสว่างหน่อยยัยรอดอยู่ตัวรอดไงมันก็เลยให้กูต้องปรับตามผู้นําเว้ยเข้าใจยังถ้าไม่ทําอย่างนี้มันไม่รอดเดี๋ยวตายมันจิ้งจอกมันไม่ค่อยตายมันปรับตัวจิงจกตุกแกงูกิ้งก่าไงปรับตัวดีนักพอไปอยู่ต้นไม้สีเขียวมันก็ทําเป็นสีเขียวทําไมมันทําสีเขียวมันทําความกลัวของมันความกลัวของมัน พอมันเห็นสีเขียวพบมันก็กลัวมันก็น้อมใจเพื่อเพื่อให้เป็นสีเขียวดินน้ำไฟลมในร่างกายมันก็เลยปรับสีออกมาเป็นสีเขียวโทสะมันโทสะเป็นตัวปรับมันกลัวมันหรือถ้าหากว่ามันไปอยู่ที่สว่างมันก็เลยปรับให้มันเป็นสีขาวขาวเทาๆมันกลัวไงกลัวอันตรายน่แหละอานาจของโทสะอานาจของโทสะมันอยู่ด้วยความหวาดระแวงโทสะตลอดไม่ได้กุศลนะบางคนโอ้โห สัตว์ประเภทนี้ฉลาดมากที่ไหนฉลาดที่ไหนมันกลัวมันไอโทรศัพ์มันปรับสีมันยอมเวลาโกรธสีหน้าจะออกมาอย่างเวลาโลภสีหน้าจะออกมาอย่างนึงเวลาหลงสีหน้าเวลตาจะออกมาอย่างมันม น, นุษย์ก็ปรับสีตลอดเวลากำหนัดยินดีเต็มที่มันจะออกมาอย่างเลยนะสีหน้าเวลตาเวลาโกรธเครียดวิตตกังวลมันจะออกมาอย่างเนื้นไไกิเลสเป็นตัวปรับสีหรือกุศลเกิดเนี่ยสีหน้าจะออกมาอีกอย่างห่องใสอย่างนี้เป็นต้น ยัด้พูดเอตลอิดไปเลยถึงวิบัติไปเลยตนี้พูดเรื่องหนึง่งขยายไปเรื่องนึง่งอ้าวต่อไอเหตุกาทิทีเข้าใจนะนัตธิกาทิทีความเห็นว่าไม่มีไม่มีก็คือทานที่ให้แล้วไม่มีผลศีลที่รักษาแล้วมันไม่มีผลเป็นต้นเนี่ยอันนี้ปฏิเสธคุณพ่อคุณแม่อันนี้มีเยอะอันทิีทั้งหลายเหล่านี้ในพุทธศาสนาจัดว่าเป็น มิจฉาทิฏฐิเนาะมิจฉาทิฏฐิเหมือนว่าเหมือนปุรณะกสปะเนี่ยมีความเห็นยังไงมีความเห็นว่าไอค้ครูทั้ง6เนี่ย เ, เมื่อบุคคลทําเองใช้ผู้อื่นทําตัดเองใช้ผู้อื่นตัดเบียดเบียนเองใช้ผู้อื่นเบียดเบีย น, น, นทําให้เขาเศร้าเศร้าโศกหรือใช้ผู้อื่นเศร้าโศกทําให้เขาลําบากหรือใช้ผู้อื่นลําบากทําให้เขาขาดเนี่ฆ่าเอ้ยลักเอ้ยอะไทั้งหลายเนี่ย เป็นชู้ภรรยาคนอื่นพูดเท็ส่อเสียดําหยาเพื่อเจอเนี่ยการกระทําทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้เชื่อว่ามันไม่เรียกว่าการกระทําไม่เรียกว่าการกระทําไม่เรียกว่าบุญไม่เรียกว่าบาปแล้วก็ไม่เชื่อว่าจะมีผลของการกระทําการกระทําก็ไม่ส่งผลการกระทําไม่เรียกบุญไม่เรียกบาปไม่พอผลไม่ต้องพูดถึงไม่มีอยู่แล้ว มันเป็นเพียงแค่ ก, กิริยาการเท่านั้นเองพวกนี้เป็นอ ก, กิริยาวัทะเป็นอ ก, กิริยาทิฏฐิปุรณะกะส ป, ป, า, ปกาก็ถอวาโอ้ยอยากทำอะไรทำไปเถอะอยเป็นชู้ใครก็ได้อยาฆ่าใครก็ได้จะพูดผิดในการมโอ้คนประเภทเนี้ยลองสอนดูทีคนจะเชื่อไหมจะมีคนเชื่อไหมโอโ้เยอะไอเนี้ยที่มันจับกันรายกันมันก็มาออกกฎหมายไปอย่างนั้นเลย มันผิดผิดต้องกฎหมายความจริงมันไม่มีบาบุญอะไรหรอก เ, อเขามีทิฏฐิอย่างนี้พวกนี้เป็นเป็นศาสนาหนึ่งนะเขาเรียกว่าพวกศาสนาอากิริยะวาทะเห็นว่าไม่เป็นการกระทําบุญเป็นบาปในสมัยก่อนมีเยอะไม่ปัจจุบันก็ยังมีอยู่ไอทิฏฐิประเภทนี้แต่เพียงว่าเรามีกรอบกฎหมายมันกันเขาไวแค่นั้นเองถ้ายกกฎหมายออกที่มเต็มไปหมดเลย ถามว่าคนยังฆ่าสัตว์อยู่ไหมรักทรัพย์กันอยู่ไหมประพูดผิดในกรรมไหมยังพูดเท็จอยู่ไหมยังกินของมืนเมาอยู่ไหมยังเบียดเบียนกันอยู่ไหมถ้าเขาเชื่อจริงๆเขาจะทํำไหมเนี่ยพวกอกคริยาทิฏฐิไม่เห็นว่ามันไม่เป็นบุญเป็นบาปอะไรหรอกมีกฎหมายก็มาบัญญัติตรากันเพื่อให้สังคมมันอยู่ดูไม่เบียดเบียนกันเท่านั้นเองห่วงั้นเถอะเยอะหมดในความเห็นแบบนี้เราเนึกว่าไม่มีที่ได้มีนะ มันมีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีนะไอเหตุกาที่ถีนั้นปฏิเสธเหตุใช่ไ้มล่ ะ, ะปฏิเสธเหตุด้วยนะถามว่าฉีดยาฆ่ า, มาแมลงเนี่ยมันไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทำให้ไม่ทําให้อายุสั้นหรอกเพราะมันเป็นอาหารของเราฆ่าปลาฆ่านกฆ่าหนูฆ่าแมวเอฆ่าเป็ดฆ่าไก่เนี่ยตั้งโรงฆ่าสัตว์แต่มันไม่บาบหรอกบำเหน็จบาบก็ มนุษย์จะอยู่กันยังไงเล่าในทะลุงทะเลเนะี่ยลากอวนแต่ละทีเนะี่ยได้เป็นสิบสล้านตัวยกขึ้นมาเป็นลําเรือลําเรือมันไม่บาปหรอกใช่ไหมมันไม่มีเหตุหรอว่าทาเหตุอย่างนี้แล้วมันจะทําให้อายุสั้นทําทเหตุอย่างนี้แล้วจะทําให้ตายเร็วทําเหตุอย่างนี้แล้วจะทําให้เกิดภัยพิบัติอุบัติเหตุไงโดนฆ่าตายโดนยิงตายไม่มีนี่เป็นเหตุการทธิธิไหมเยอะไหมคนเห็นแบบนี้ย คือฆ่าโจรฆ่าผู้รายเนี่ยมันจะไปบาปได้ยังไงไอ้ น, นี่มันเป็นภัยต่อความมั่นคง <c oughs> เป็นบุญด้วยซ้าเนี่ยไปคิดงั้นนะเห็นหนะเนี่ยเราก็เคยสอนใช่ไห้แล้วเนี่ยมันเห็นอย่างนี้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นอหตุกขทิฏฐิไม่เชื่อว่าสร้างเหตุแบบนี้แล้วมันจะทำให้อายุสั้นมันจะทำให้ตายก่อนเวลาที่จะกาหนดมันจะทำให้เกิดโรคร้าย มันจะทําให้ร่างกายพิกลพิการมันจะทําให้ตนเองเนี่ยมีรูปร่างอัปลักษ์เวลาคนใกล้ตายเนี่ยอัปลัก์ไว้แล้วมันดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นคนบางคนเกิดมามันสักเหมือนคนกับเขาที่ไหนล่ะหน้าตาถลนออกมาบ้างเหมือนเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาบ้างเคยเห็นสุนัขบางพันไหมหน้ายูเหมือนมันทรมานตลอดเวลาว่าะงั้นจะเนี่ยโดยที่เวลาบาปให้ผลมันไปเกิดเป็นสุนัขมันเป็นแบบนี้นี้เป็นต้นเนี่ยนี่ไงไอเหตุการณที่ถีมันก็เห็นกันอยู่ หรือว่านากติกาทิฏฐิมันปฏิเสธผลเนี่ยถามว่าเห็นว่ามันเห็นว่าการฆ่าสัตว์เนี่ยมันไม่มีผลหรอกอันที่ปฏิเสธเหตุนะว่าทําเหตุอย่างนี้มันไม่ได้รับผลอย่างนี้อา้าวเราไปเห็นผลคนอายุสั้นคนมีโครคภัยไข้เจ็บมากคนตายก่อนกําหนดหรือคนถูกประทุษร้ายทั้งหลายอ๋อมันไม่ได้มีผลหรอก เช่นการให้ทานการให้ทานมันไม่มีผลการบูชา ม, มันไม่มีผลการบวงสวงใช่ไหมโลกนี้เออโลกโลกนี้ไม่มีหมายความว่าสาัตว์ที่ตายจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ไม่มีหรอกสัตว์ที่ตายจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นก็ไม่มีคุณของพ่อแม่ก็ไม่มีคุณของบิดามารดาก็หมายความว่าประพฤติดีปฏิพฤติฤไม่ดีต่อพ่อแม่มันไม่ได้รับผลดีผลชั่วใดๆ และสัตว์ที่ตายแล้วเป็นพวกโอปปาติกาเกิดทันทีไม่มีหรอกเพราะไม่เคยเห็นมันใช่ไหมที่เห็นเห็นอยู่ก็นเนี้ยตาเราเห็นนไงมันจะมีได้ไงสัตว์ตายปุ๊บโตขึ้นทันทีไม่มีไม่มีมมและคนที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบจนสามารถแทงตลอดความจริงของชีวิตตัดสรุ้ได้ด้วยตนเองและประกาศให้คนอื่นรู้ความจริงด้วยไม่มีไม่เชื่อเนี่ยพวกนักติกาที่ฐีมันจะเห็นนี้ เต็มไปหมดเลยยอมเดี๋ยวนี้ยมีทั้งไอ้อัิรียาทิฏฐิอเยตุกาทิฏฐินาติกาทิฏฐิแต่ว่าเนี่ยเพียงว่ามันถ้าถ้ามันจะเห็นระดับไหนแล้วฉันก็เห็นคนไม่เห็นเดือดร้อนอะไรกันเนี่ยเนี่ยเลี้ยงกุ้งลากกุ้งล้า น, นกุ้งเผา นะแต่จริงต้องบอกว่าเผาปลาเผากุ้งเยอะนั่นก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยเพชรชี้สั่งเป็นอาหารเราไงไม่บาปหรอกไอถึงก็เนี่ยเข้าไปเดี๋ยวเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงกลังดิน้นดินดิ้นอยู่ไอตัวเนี้ยแข็งแรงดีนะจัดการได้เลยเริ่มกลับเรื่องปกติถ้าเขาเชื่อว่าบาปมันมีผลจริงบุญมันมีผลจริงก็จะทําบาปทำไม ถ้าเขาเชื่อมันมีเหตุแบบนี้มันจะได้รับผลอย่างนี้เชื่อว่าผลแบบนี้นะมันมีผลให้เกิดขึ้นอย่างนี้เขาจะไม่ทาเขาจะไม่ทำเพราะเข า, เขานเห็นไหมว่าทัศนคติหรือด้านของสัมมลาลทิฏฐิมันยังไม่บริบูรณ์มันเป็นทิฏฐิที่ยังผิดอยู่เป็นทัศนคติที่วิปริตอยู่ถ้ามีข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเป็นเสร็จปุ๊บมันพัฒนาเลยไปไปเห็นความจริงโอ้เราเห็นผิดนี่ว่าเงี้ยมันจะเข้าใจทันที ความเห็นแบบนี้มันเห็นผิดไม่ใช่เห็นถูกส่วนมัคคิริโศสาราเนี่ยมีที่ถืว่คนพาลและบัณฑิตเนี่ยที่มันท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเนี่ยท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเนี่ยมันไปก็มันเลื่อยอะไปไปไปไปไปไปเลื่อยื่อืืืว่างั้นเถอะกลุ่มนี้กลุ่มบอกว่าไม่มีสังสารวัฏที่ทำให้สิ้นสุดไปได้ด้วยการอย่างนี้ว่างเเั้นเถอะแต่ ว่างั้นเถอะเมื่อมันถึงเวลามันจะหมดตัวลงมันเองเหมือนเราเอากรอได้มาม้วนหนึ่งเราจับด้านหนึ่งไว้แล้วก็คว้างเต็มที่เลยป๊ดไอ้ได้มันก็วิ่งปื๊ดไปตามแรงเนี่ยถ้าคนนั้นแรงจริงๆมันวิ่งไปสุดเชือกเมื่อไรมันก็หมดมันไม่วิ่งไปต่อฉะนั้นมนุษย์เนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรจะเป็นคนพาลจะเป็นบัณฑิตจะเป็นคนดีคนชั่วทั้งหลายเนี่ย ไม่มีใครจะหยุดมันได้หรอกมันก็ไปข้งมันเรื่อยๆไม่มีเหตุปัจจัยใดๆหรอกแต่พอไปสุดครบกำหนดของสังสารวัฏปุ๊บมันหยุดตัวมันเองว่างั้นเถอะเป็นนติกาวาทะเดี๋ยวมันหมดไปเองหรือเป็นสังสารสุดทิ่ก็คือมันจะมันบริสุทธ์เองจากการเวียนว่ายตายเกิดไปในสังสารวัฏเมื่อมันครบกำหนด อย่างสมมติว่าจะเกิดมา5้าล้านปีห้าล้านห้าล้านชาติเนี่ยพอครบห้าล้านชาติพบมันหยุดตัวลงให้เกิดมาพบแล้วครบห้าล้านชาติมันใครยังไม่ครบมันก็วิ่งต่อไปพอครบห้าล้านชาติมันจะบริสุทธิ์ของมันเองแล้วก็หายไปเลยก็ก็หมดไปเลยไม่ต้องไปวิ่งเที่ยวในสังสารวัตรต่อมันเห็นอย่างนี้ก็มีนะนี่เขาเรียกพวกกลุ่มทิฏฐิอีกประเภทหนึ่ง ทีฏอีกประเภทหนึ่งก็เรียกอชิตาเกสกัมพลเห็นว่าทานเนี่ยไม่มีผลการบูชาอันนี้เป็นนาติกะโลกนี้โลกหน้าไม่มีจริงระวังกันเถอะเนี่ยพวกนี้เห็นอย่างนี้เป็นเขาบอกว่าพวกนี้เห็นยังไงมันมันยังมีการเห็นบอกว่าธาตุดินก็ไปตามธาตุดินเวลาตายไปแล้วธาตุดิ น, ด น, นก็ไปนนไปตามธาตุดินธาตุน้ำก็ไปธาตุน้ำธาตุไฟก็เป็นไปธาตุลมอินทรีย์ทั้งหลายก็เลื่อนลอยไปในอากาศ คนทั้งหลายก็มีเตียงอ่ะเป็นที่5้าาะงั้นจะหามไปพบร่างกายอยู่แค่แค่ป่าช้าแค่นั้นแหละแล้วก็ถูกเผาก็ไม่เห็นมีอะไรเลยสัตว์ทั้งหลายตายแล้วก็ขาดศูนย์พวกนี้เห็นขาดศูนย์ไม่มีอะไรหรอกในเรื่องการบอกบุญบอกบาปเป็นกิจกรรมของคนโง่ที่หลอกกันทําบุญทําดีทั้งหลายเป็นกิจกรรมของคนโง่เขา้เข า, เข า, เขาสอนกันแท้จริงมันไม่มีอะไรตายไปแล้วก็จบธาตุดินก็ไปสู่ดินธาตุน้ําก็ไปสู่ น้ำทัดไปก็ไปสู่ไปทัดลมเพราะอินทรีย์ทั้งหลายก็ล่องรอยหายวับไปในอากาศไม่มีอะไรเหลือเลยก็เหลือให้เห็นไงกระดูกไงเผาเสร็จแล้วกระดูกที่เห็นก็เห็นชัดๆอยู่อย่างเงี้ยคนโง่ทั้งนั้นแหละที่ไปเชื่อว่ามีการสืบต่อในพบชาติต่อๆไปก็มาสอนหลอกๆกันไปว่าไงพระเจ้า พวกนี้อ่ออย่างเขา้าใจการมองกันมองได้กันทุกมิติแต่ประเด็นคืออย่างนี้ในคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยพรุทธเจ้าจะพูดถึงในเรื่องของทัศนะของคนในโลกเนี้ยมีสามทัศนะหนึ่ง ปุเพกตาเฮตุวาทะละทัทธิเชื่อกรรำเก่าจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วสมหวังผิดหวังได้ดีตกยากโยนไปให้กรรมในอดีตกรรมในอดีตเป็นตัวกําหนดนี่ลัทธินี่เป็นมิจฉาทิฏฐิประเภทหนึ่งไปเชื่อว่าที่เป็นแบบนี้ได้เพราะดีตกรรมที่เราได้รับความสุขได้ก็ดีตกรรมได้รับความทุกข์ก็ดีตกรรมสมหวังก็เพราะดีตกรรมผิดหวังก็เพราะดีตกรรม ได้ดีตกยากหรือประสบกรรมลำบากหรือมีความสุขลำบากก็อดีตกรรมทุกอย่างเนี่ยโทษอดีตกรรมนี่นี่แปลบกเพกตะต๋หตุวทะนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิประเภทที่หนึ่งไม่สนไม่สนคุณจะเป็นพุทธเป็นคิดเป็นอิสลามเป็นซิกเป็นฮินดูนะเป็นศาสนาอยู่ดุงอยู่ดายอะไรไม่เกี่ยวแต่จะเห็นแบบนี้เบเสร็จปุ๊บนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิประเภทหนึ่งนคุณจะไปบอกคุณเป็นพุทธแต่คุณโยนไปให้กรรมในอดีตคุณก็ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิ เราเป็นไหมถ้าเป็นเนี่ยเขาเรียกมิจฉาทิฏฐิประเภทที่หนึ่งเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วไม่เชื่อฉันทะความมีใจฝ่ฝึกฝ่กรักในปัจจุบันไม่เชื่อความเพียรในปัจจุบันไม่เชื่อปัญญาในปัจจุบันไม่เชื่อศักยภาพของมนุษย์ที่จะสามารถกําหนดชะตาชีวิตจะไปซ้ายไปขวาได้จะได้รับสุขได้ทุกข์เพราะตนเองทาปัจจุบันเหตุอันนี้ปฏิเสธ ความเพียรปฏิวัติศักยภาพในปัจจุบันเงี้มันผิดตรงนี้เป็นวิชาทิฏฐิตรงนี้กลุ่มนี้กลุ่มงอมืองอเท้าลัดทิชดใช้กรรมเฮ อ, อเป็นกรรมของเราชดใช้มันไปทําไมต้องมาอยู่กับคนคนนี้โอ้ชาติที่แล้วคงเป็นขี้ข้ามางันก็ใช้ให้หมดเสียออทําไมต้องมารับใช้คนนี้โอ้ชาติที่แล้วเป็นขี้ข้ามาเอารับใช้ไปโอ้ทําไมบาปมันให้ผลทําไมเป็นโรคลมชักโอ๋อชาติที่แล้ว มันเป็นทำกรรมไม่ดีไว้ชดใช้มันไปเดี๋ยวมันจะได้ให้หมดหมดไปวิธีคิดอย่างนี้เป็นวิชาทิฏฐิเป็นทัศนะที่ผิดพลาดในพุทธศาสนาพุทธเจ้าบอกเป็นวิชาที่ปัดออกแล้วไม่ใช่พุทธชาาัดไหมแบบเนี้ใครจะใครไม่เกี่ยวคุณจะเป็นาศาสนาใดไม่เกี่ยวเพราะพุทธศาสนาอุบัติเกิดขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้บอกว่าเป็นลทัทธิไม่ใช่ลทัทธิแต่พุทธเจ้าสอนความจริงความจริงยังไงก็บอกอย่างนั้นเลยเป็นอย่างนั้นไม่สน คุณจะประกาศเป็นพุทธแต่คุณเห็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่พุทธธรรมคือของปัญญารู้ความจริงนี่คุณรู้ความรู้รู้สิ่งที่ไม่จริงเป็นพุทธได้ไงสองอิสรานิมานวาทะทิฐิเห็นว่ามีเทพเจ้าเป็นผู้ดนบันดาลอิสรานิมานวาทะเนี่ยมีเทพที่เป็นใหญ่มีเทวดาที่เป็นใหญ่มีพรหมที่เป็นใหญ่คอยคอนโทรลโดนบันดาลให้มนุษย์ได้รับสุขได้รับทุกข์ให้สัตว์โลกทั้งหลายสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยมีตัวคอยกำกับและดนบันดาลอยู่ ทำให้เกิดเป็นนุ่นเป็นนี่อะไรก็แล้ว แ, แต่มีตัวผู้สร้างอยู่มีพวกบรรดาลอยู่อันนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิประเภทที่ท2 1. มันไม่มีตัวผู้บุตรบรรดาจริงสรรพสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่มันเกิดมาเป็นธรรมชาติที่มันเกิดมาเพราะเหตุปัจจัยแต่วันนี้ปฏิเสธหาเหตุปัจจัยไม่ได้ก็เลยโยนให้เทพเจ้าโยนให้เทวดาบ้างโยนให้พรหมบ้างอันนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ mm. ประเภทที่2เอ่อประเภทแรกเนี่ยประเภทแรกเนี่ยมันเป็น ไม่เห็นถูกนะกรรมในอดีตมันมีอยู่จริงแต่มาเห็นผิดกรรมปัจจุบันไม่เชื่อมั่นในกรรมปัจจุบันก็กลายเป็นว่าเขาเรียกว่าควรตำหนิโดยส่วนเดียวมันมีหตำหนิส่วนเดียวก็คือส่วนที่เห็นผิดในอดีตในอดีตไปไ ป, ไ ป, ไ, ปไปท่มไปอดีตหมดก็เลยไม่เห็นถูกในปัจจุบันก็เลยงอมืองอเท้า ลทัทธิรอผลดนมันเลยลัลทธิในกรณีอคอยชดใช้กรรมไปส่วนประเภทที่2องเนี่ยเขาเรียกว่าผิด2 ส, ส่วนส่วนอดีตก็ไม่มีใครดนบันดาลให้ใครได้จริง 2. ก็งอมืองอเท้ารอผลดนบันดาลรอแล้วแต่ท่านผู้เป็นใหญ่จะโดนบันดาลให้ตนเองแล้วจะทําอะไรก็แล้วแต่พระผู้เป็นเจ้าหรือว่าเทพพระเจ้าทั้งหลายจะกดนบันดาลให้ จะให้ตนเองได้รับสุขได้รับทุกข์ได้รับสมหวังผิดหวังทั้งหลายก็เลยต้องอ้อนวอนรอผลลมลมแรงแรงเนี่ยลักษณะเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าเสียหายสองส่วนเสียหาย2 ส, ส่วนคือส่วนปัจจุบันก็ไม่ขวนขวายด้วยทีนี้ลทัทธิบางลทัทธิจึงบอกว่าจึงสอนสำทับขึ้นมาอี ก, อกว่าว่าช่วยตนเองก่อนแล้วพระเจ้าจะช่วยคุณ เนี่ยไม่รู้จะทำไงทั้งนั้นมันงอเมืองอเท้าถ้าไม่สอนแบบเนี้มันต้องงอเมืองอเท้าทิเพราะถ้าพระเจ้าดนบันดาลได้จริงคุณไม่ต้องช่วยตัวเองหรอกพระรเจ้าโดนบันดาลแล้วพระเจ้าก็ต้องกํากับให้คุณได้อยู่แล้วก็เราจงรักภักดีอยู่แล้วนี่เฮ <c oughs> ้ยนะกเข้าหนักคำไม่ยอมทําอะไรกินกันเลยเพวกนี้ยก็เลยบอกว่าช่วยตนเองก่อนแล้วพระเจ้าจะช่วยคุณผลปรากฏว่าพระเจ้าไม่เคยช่วยมันหรอกก็อีตัวเองนั่นแหละช่วยตัวเองจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นเจ้าของกิจการ ก็ต้องทําเองตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอด <c oughs> กว่าจะได้เรียนหนังสือเนี่ยมต้องเรียนด้วยตัวเองถึงจะฉลาดขึ้นมาต้องข้นขวายต่อสู้กับธรรมชาติความร้อนความหนาวต้องต่อคิดหัวแทบแตกแต่พอคิดเสร็จว่าขอบคุณพระเจ้าขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกได้พอไปเหยียบปุ๊บก็บอกว่าโหพระเจ้าช่วยด้วยขอบคุณพระเจ้าอืมเนี่ยเห็นไหมอุทานอุทานเลย เนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยอุจลระอยู่ในสมองกลัวไม่เห็นไงก็เลยมีทิฏฐิว่าอ๋อต้องมีผู้เป็นใหญ่ดนบันดาลมีลอย่างงี้มันน่าชื่นใจหน่อยเนี่ยเห็นไหมเนี่กยเขา อ, อิสระนิมานวัฒน์สามอหตุกาวาาัฒนทิฏฐิอหิุกาวาาัฒนทิฏฐิคือไม่เชื่อเหตทุกอย่างเกิดขึ้นลอยลอยแล้วแต่ดวงดาวบนท้องฟ้าบ้างเนะี่ย แล้วแต่โชคชะตาบ้างงั้นทุกอย่างเนี่ยงั้นอยู่ๆเนี่ยคุณจะไปเอาอะไรแน่นอนไม่ได้เลยเห็นไหมเหมือนภาษานักการเมืองชอบพูดกันมากหรือบรรดาผู้นำต้งพูดว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นมันอาจจะมีเหตุอะไรเยอะแยะหมดดังนั้นดวงดาวมาทับลัคนา ต, ตรงนี้เปิดเสร็จก็เกิดการผันแปลงขึ้นมาเปลี่ยนแปลงมาบ้านเมืองมันก็เปลี่ยนแปลงผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ผมทำวันนี้ดีที่สุดว่างั้นเนี่ยไม่วิธีคิดแบบเนี้ยเพราะอะไรเพราะเป็นไอเหตุการณ์วาฏทะมันปฏิเสธเหตุไม่เข้าใจเหตุแท้จริงทุกอย่างเกิดจากเหตุทุกทุกอย่างเนี่ยเป็นตัวกํากับมนุษย์เนี่ยสามารถทําแบบนี้เหตุก็จะเป็นงนี้ทําแบบนี้เหตุจะเกิดอย่างนี้มันเกิดจากการว่าถ้ารู้จากเหตุอั น, นเหตุทั้งความเสื่อมนี่เหตุความเจริญเหตุความสมหวังเหตุความผิดหวังวเหตุแห่งสุขเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งดีเหตุแห่งชั่วมันมีเหตุปัจจัยหมด แต่ถ้าเอาความเชื่อไปฝากไว้กับหมอดูความเชื่อไปฝากไว้กับดวงดาวหรือกษัตริพระเจ้า ก, กับอะไรไปเสร็จมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ประเทศก็ไม่พัฒนามองเห็นไหมเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเป็นมิจฉาทิฐิอยู่3ประเภทคนในโลกใบนี้ไม่ใช่ในเมืองไทยนะคนในโลกใบนี้ทั้งในจักรวาลทั้งหลายที่มีหมู่สัตว์อยู่มีทัศนคติ3ทัศนคติเนี่ยที่เป็นมิจฉาทิถี เห็นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงไม่เป็นสัมมาทัศนะไม่เป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้เขาเรียกว่ามิจฉาทัศนะมิจฉาทิฏฐิมีนะมมทัศนคติเห็นผิดตามมุมมองตามทัศนคติที่ตนเองไปยึดถือลัธิความเชื่อทัศนคติมันก็เลยกลายเป็นว่าเผยแผ่ทัศนคติเผยแผ่ความเชื่องตนเองให้กับกลุ่มคนซึ่งง่ายอยู่แล้วที่จะเชื่อ มันก็เลยยึดถือกันอยู่จนเท้าทุกวันนี้และในอนาคตก็จะเป็นแบบนี้ส่วนจะไปแตกขยายไปอีกอยังไงก็ว่าอีกเยอะมากเราเห็นนี้ยนี่วันนี้พูดเราา <c oughs> ื่องอุบาททานเนี่ยอุบาททานชัดอ <c> ะ <oughs> นี่อุบาททานเลยเนี่ย <c oughs> ทีนี้อะไรทีนี้ เมื่อสักครู่พูดถึงในเรื่องของอีกคนหนึ่งก็เรียกปักกุฎท่ากัจยนะปักกุฎท่ากัจยนะเห็นว่าสภาวะเจ็ดอย่างเนี่ยก็เห็นว่าดินน้ําไฟลมสุขทุกข์และชีวะเจ็ดอย่างนะดินน้ําไฟลมสุขทุกข์ชีวะในกระแสะชีวิตจะมีเจ็ดกองอ่ะไอเจ็ดกองอย่างนี้มันมีอยู่แค่นี้แหละในชีวิตเนี่ย ในในเจ็ดกองเหล่านี้มันไม่หวั่นไหวไม่แปรปวนนั่นเห็นแค่นี้พอคิ ด, ค, ดคิดไปเบเสร็จปุ๊บเนี่ยดินน้ําไฟลมแล้วก็มีสุขทุกข์และชีวะมันมันเข้าไปเห็นสภาวะตรงนี้จริงๆมันยังหวังไม่มีสัตว์บุคคลมันก็คือดินน้ําไฟลมสุขทุกข์แล้วมีชีวะตัวหนึ่งเหมือนตัวชีวิตเนี่ยมันมันกำกับอยู่ฉะนั้นเวลาเราจะฆ่า มันไอมันไม่สามารถไปถูกไอเจสิ่งนี้ได้เช่นเอาดินก็คือมีดเอามีดไปฆ่าหรือไปเสียบไปแทงใครเนี่ยมันก็คือเอาดินน้ำไปลมไปเสียบเข้าดินน้ำไปลมมันจะเป็นบาปได้ยังไงมันไม่สามารถไปถูกไอเจสิ่งพอหลังจากกระแสะชีวิตที่มันดับไปไอดินน้ำไปลมสีกินรถไอดินน้ำไปลมเนี่ยสุขทุกข์ชีวะไอตัวนี้มันเล็กมากมันก็ล่องรอยไปหาที่เกิดใหม่ไอไอตัวเนี้ยมันล่องรอยออกไปได้ ย่นคุณข่างไงไม่ถูกมันหรอกปืนยิงอะไรต่างๆยิงหรือไปตัดคอขาดทำแรงต่างเนี่ยมันไม่เรียกว่าอะไรมันก็คือเอาดินน้ําไปลมไปสอดเข้ากับดินน้ําไปลมอาวุธยุทโธปกรณ์ก็คือดินน้ําไปลมไปกระแทกดินน้ําไปลมเป็นทุลุ่ยแต่เจ็ดสิ่งมันก็ล่องลอยไปเลยหาที่เกิดใหม่สัตสตาวาทะเห็นว่าเที่ยงเนี่ยเขามันยิงกว่นักวิทยาศาสตร์นะพวกนี้มันเห็นมันด้วยเห็นเป็นแบบเนี้ย มันก็เลยสอนบอกว่าไม่มีบุญมีบาปเลยหรอกมันไม่สามารถมันมนฆ่ากันได้ที่ไหนแล้วมันไม่มีจะเอาเอาเนี่ยเอาเอามือไปกระแทกหน้าเนี่ยก็คือดินน้ำไฟลมนี่แหละไปกระแทกดินน้ำไฟลมมันเป็นสภาวะธรรมมันมีพ่อแม่ปู่ตายา ย, ยายยายก็สมมตินหมดเลยไม่มีไม่มีบาปไม่มีบุญต่อให้ตัดออกไปฉีกเอาไปร่างไปมันก็จะมีดินน้ำไบลมสุขทุกข์ชีวงก็ลอยออกไป เจ็สิ่งเนี้ยไม่มีใครทําไม่มีใครรับผลการกระทํานะไม่มีทิฏฐินี้ยจัดอยู่ในสตาวาทา้าและเป็นอุดและอุเฉตวาท้าก็ได้นะหรือว่าขาดก็ได้นี่เป็นกฎกฎของเขาเขามีความเห็นอย่างนี้เขาไปปฏิบัติแล้วเขาเห็นเขาเจาะเห็นตรงนี้เขาก็เชื่องเขาอย่างนี้ยึดถือแล้วก็สอนอย่างนี้ <c oughs> จะว่าไง <c oughs> อ่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือนิครน มีทิฏฐิว่า ต, วตัวตนเป็นผู้สังวรไอ้นีคนน่าตะบวชในนี่ก็สอนเรื่องเรื่องการบําเพ็ญตะบะละทิชชชดใช้กรรมนะอยู่ในประเภทปุบเพกต่เตุตด้วยเนะีเป็นแนวความทิดเชื่อกรรมเก่าพวกนี้เชื่อกรรมเก่าเออนิครเนี่ยนิครณทั้งหลายผู้เจริญบา ป, ปรกรรมที่พวกท่านทั้งหลายทําแล้วในการก่อนมีอยู่ท่านทั้งหลายจะสลัดบาปรกรรม ด้วยปฏิบทานประกอบไปด้วยการกระทําได้ยากลําบากนี้ข้อที่ท่านทั้งหลายสํารวมกายวาจาณบัตดนี้เป็นการกระทําบาปกรรมต่อไปเพราะหมดกรรมเก่าด้วยตบาปเพราะไม่มีกรรมใหม่ความไม่ถูกบังคับด้วยกรรมต่อไปจึงเป็นไม่ถูกบังคับต่อความสิ้นกรรมจึงมีได้เพราะก็คือถ้าสิ้นทุกข์สิ้นทุกข์ก็สิ้นกรรมเขาที่ทรมานในพวกนี้หนักๆก็คือก็าทรมานตัวเองเวลัที่ชดใช้กรรมเก่าอย่างนั้นเลยประมวลมาทรมานในชาตินี้เสด็จ อดอาหารในที่สุดจริงก็ยอมให้มันทรมานทรมานไปให้มันตายไปเลยว่าไงเด้อคือว่าเนี่ยชดใช้กรรมเก่าพอสิ้นกรรมก็สิ้นทุกพอสิ้นทุกแลพอสิ้นกรรมก็สิ้นเวทนาพอสิ้นเวทนาก็สิ้นทุกพอสิ้นทุกก็หมดก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกเขาที่ถือว่าการเนี่ยทรมานสุดยอดของเขาก็คือว่าอดอาหารตายไปเลยว่าไงเด้อเอาไปแล้วเขถือว่าจบเขาแล้วเอาเอาแบบนี้วิธีแบบนี้ และอีกลที่หนึ่งก็คือพวกอมมาลาวิเคปป่าทิถีก็คือพวกสัญชัยเวทพระบุตรไอ้พวกนี้ก็คือพวกความเห็นท่ต่ายซ่สายไม่เอาไม่เอาแน่นอนไม่ได้นะเขาว่าอมมาลาวิเคปป่าก็คือลื่นอย่างกระปาไหลใครว่ายังไงก็จะตามเขาไปหมดอาจจะเป็นเพราะโมหะก็ไดนะ้เขาบอกชาติหน้ามีไหมคุณเห็นว่าชาติหน้ามีไหมมี ผมก็เห็นว่ามีอีกคนหนึ่งชาติหน้ามีไหมไม่มีผมก็เห็นว่าไม่มีอีกค น, นว่าบางครั้งมีก็ใช่ไม่มีก็ใช่เออผมก็เห็นอย่างนั้นแหละบางครั้งก็มีก็ใช่ไม่มีก็ใช่เหมือนกันกรณีแบบเนี้เรียกซัดสายไปทั่วเพราะกลัวผิดเพราะกลัวผิดนั่นเองวันทีเนี้เหมาะ ก, กับคนไทยนักตรงไหนมันจะได้กับแพ็ปพันธง์ล้นแพ็ปทังนี้ได้อประการต่อมาคือในเรื่องของสีละประตู ป, ปาทานใช่ไหม ศีลและประตูบาทานก็คือยึดมัน่นศีลแลพจน์ถ้าพูดกันตรงๆก็คือยึดมั่นวัฒนธรรมประเพณียึดมั่นรูปแบบไว้ต้องดังนี้เท่านั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ยึดมั่นาศาสนพิธีก็ได้ยึดมั่นข้อปฏิบัติว่างั้นเถอะกรณีอย่างนี้เป็นศีลและประตูบาทานปีทิิมีเห็นว่าปฏิบัติศีลแบบนี้จะพ้นทุกได้บางครัง้งไปยึดมั่นสมาธิ หนักไว้ในว่าเออต้องเจริญสมาธินี้เท่านั้นถึงจะพ้นทุกข์ก็ น, นั้นแหละยึดมั่นในสมาธิเหล่านั้นแหละแท้จริงในสมาธิพ้นทุกข์ได้ที่ไหนอะยึดมัน่นยึดมั่นในรูปแบบยึดมั่นในวัฒนธรรมยึดมั่นในประเพณียึดมั่นว่าเนี่ยอย่างเช่นศีล น, น่ยพระรยาสอนเรื่องอริยาการถศศีลใช่ไหมหรืออป aram ัทศีลศีลที่ไม่มีตัณหามาหนาท้ที่ถืเข้าไปจับฉวยลูกคําแต่พอพอปฏิบัติในศีลก็ยึดมัน่น ยึดมาในในในศีลว่าศีลเนี้ยเท่านั้นที่จะทําให้พ้นทุกข์คือไปนิพพานได้เพราะศีลแท้จริงเ่ยหลักการจริงๆมันต้องศีลสมาธิโดยปัญญาใช่ไหมมันเชื่อมโยงกันหมดไม่ใช่แค่ศีลอย่างเดียวมันไปนิพพานได้ข้อบิดแบบแผนอย่างนี้ที่เดียวไปนิพพานได้ยิง่งไปตัพอมองเห็นไหมฉนั้นหลักการจริงๆตรงนี้ก็เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในข้อปฏิบัติที่ผิดในแบบแผนในประเพณี ในวัฒนธรรมต้องอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นแก้ไขไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ยึดมั่นในศีลพจน์ในวัฒนธรรมในประเพณีในรูปแบบพวกนี้ยึดยึดมั่นรูปแบบไอ้ที่อันแรกจริงเป็นที่ถูกบาร์ทานยึดมั่นทัศนคติความเห็นพอมีทัศนคติความเหนเ็นเสร็จวางระบบวางรูปแบบมาเปลี่ยนไม่ได้เลยต้องยึดรูปแบบนี้เท่านั้นเช่นถ้าสมาถ้ารักษาศรรีลต้องสมาทานเท่านั้น ต้องไปสมาทานต้องใส่ชุดขาวด้วยนะชุดอื่นใส่ไม่ได้ถ้างั้นเดี๋ยวศีลไม่เกิดเห็นไหมต้องใส่ชุดขาวเพางั้นเถอะมันยึดกันขนาดนั้นเนตอนนี้ต้องใส่ชุดขาวแล้วไปงานสอบต้องใส่ชุดดาชุดอื่นไม่ได้ต้องใส่ชุดดำเท่านั้นมันยึดยึดมั่นลเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้ ว, ลวไม่รู้เหตุผลด้วยของการกระทานั้นด้วยคือ ปฏิบัติวัฒนธรรมประเพณีแบบแข็งทื่อหรือปฏิบัติในศีลแบบแข็งทื่อเข้าใจคําว่าแข็งไหมก็คือไปจับที่รูปแบบแต่ไม่เข้าใจสาระไม่ได้เข้าใจสาระที่แท้จริงถามหน่อย เ, ยเวลาคนใส่ชุดขาวมาวัดยถามทําไมใส่ชุดขาวไม่รู้เห็นเขาใส่เนี่ยแปลว่ามึนแล้วเอ้ทาไมใส่ชุดดำไปงานศพไม่รู้ก็เห็นเขาแต่งกัน ถ้าใส่ชุดอื่นไปงานศพได้ไหมเขาบอกโอ้ไม่เห็นเขาทากันเลยโอ้ทพหาทํางันยุ่งนะเฮ้เขานิมนต์ไปงานแต่งเฮ้ใส่อีกสีนึงไว้ไปงานบวชด้วยไปอีกสีนึงไว้ยไปงานราชพิธีงานเลยโ อ, โอ้ยุ่งเลยนะเนี่ยใช่ไหมละ่ะดีนะที่พมีสีเขาเลเว่นให้นักบวช นี่นี่คือจริงๆแล้วเนี่ยหลักการตรงนี้พอไปอทําเป็นวัฒนธรรมประเพทนี้นมาก็เลยยึดเข้าไปเลยแล้วก็ขัดแยง้งเข้าใจคําว่ายึดมั่นในรูปแบบวัฒนธรรมหรือยังพอไปยึดโดยไม่รู้เหตุผลว่าจริงๆแล้วระเบียบแบบแผนทําเพื่ออะไรแล้วมันทําแล้วเนี่ยมันพัฒนาต่อการเจริญสีสมาธิปัญญามันมีตัณหาความความ ความทยานอยากเข้าไปจับต้องไหมมีทิฏฐิคือทัศนคติเข้าไปยึดถือไหมว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นผิดอย่างอย่างนี้ถูกรูปแบบอย่างนี้เท่านั้นถูกรูปแบบอย่างอื่นผิดเหมือนลราตั้งโต๊หมู่บูชาอ่าก็ถูกต้อง มันอยู่ที่ว่าเรายึดหรือเปล่าว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นหรือเปล่าอ้อย่างนี้ไม่เห็นเอาพระสูตรมาอ่านเลยเนี่ยอย่างนี้ผิดไหมท่า น, นถึงบอกว่าบางทีเราไอ้คำว่ารูปแบบในที่นี้มันหมายถึงว่าเราไปยึดด้วยตัณหาด้วยทิฏฐิถ้าเราไปยึดด้วยทิฏฐิว่ามันเปลี่ยนไม่ได้ อย่างยกตัวยอย่างเช่นตั้งโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยจะต้องมีดอกไม้สองทูบสามดอกเทียนสองเล่มนะเนี่ยแล้วก็ดอกไม้ที่เป็นผานพุม่มแล้วก็บอกว่าแล้วก็สอนกันว่าทูบสามดอกเพื่อบูชา พระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณใช่ไหมเทียนก็คือพระธรรมวินัยใช่ไหมธรรมวินัยดอกไม้บูชาพระสงฆ์ว่างั้นทีนี้ถ้าจะกลับได้ไหมทูปบูชาทั้งหมดนี่แหละพระพุทธเจ้าพระทรมพระสงฆ์ด้วยเทียนก็บูชาทั้งหมดแหละพระพุทธเจ้าพระทรมพระสงฆ์ด้วย ดอกไม้กบูชาทั้งหมดแหละเพระพุทธเจ้าไปทํารพระสงฆ์ด้วยได้ไหมมันไม่ใช่น้ามันได้ก็จริงจบางทีเราถือดอกไม้ไหวไหวพระพุทธเจ้าทําไมถือกันจงังอะท่านบอกเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชต้องทูบสิคนถือดอกไม้ก็ไม่ได้บทไม่ได้นะพระพุทธเจ้าประทับอยู่องค์เดียวเนี่ยคุณต้องเอาทูบเท่านั้นถ้าดอกไม้กบูชาพระสงน์นี่ ก็ในศาสนาพิธีสอนกันอย่างงั้นนี่คุณเอาเทียนมาเอ้ยเทียนบูชาพระธรรมไม่ใช่บูชาพระเจ้าเห็นไหมพอไปสอนแล้วเนี่ยมันไม่ให้เหตุผลเขาเขาต้องการทําให้ดูงามจะได้ระลึกเป็นระบบจะได้ระลึกถึงพระปัญญาคุณเป็นยังไงพระบรุตรสวดที่คุณเป็นยังไงพระมหากรุณาที่คุณเป็นยังไงรลึกถึงพระธรรม วินัยของพระเจ้าที่ทรงสอนไว้ 84,000 พันระธรรมขันธ์นั้นเป็นพระปริยัติธรรมเป็นยังไงลึกถึงหมู่พ ร, ริยสงพระโสดาบันสกธานาคาพรหันที่มีความงดสวยสดงดงามเหมือนดอกไม้หลายๆสีมารวมกันเนี่ยพระทั้งหลายไม่จะใส่จีวรสีต่างกันก็แล้วแต่แต่มีข้อมีตัวร้อยตัวเดียวกันก็คือเหมือนได้ที่ร้อยดอยดอกไม้เข้าหากันอย่างนั้นน่ะก็มี วินยัยมีพระธรวินัยเป็นตัวร้อยให้หมู่พิสูจสงว่าพูดพิบัติสวยสดงดงามยังไงเป็นต้นถึงจะหลากสีก็สวยงามเนี้ยถ้ามันเข้าใจอย่างนั้นเสร็มันก็โอเคใช่ไหมล่ะแต่ไม่ใช่ว่าอีดอกไม้ต้องบูชาพระสงฆ์ไม่ใช่เทียนต้องบูชาพระธรรมโทบต้องบูชาพระเจ้าไม่ใช่เลยเนี้ยแต่พอไปยึดติดขึ้นมาเออไม่ได้เล ย, ยึแล้วถ้าใครไม่จัดต้วหมู่อย่างเงี้ยโอตําหนิกั็นตายเอาเวลาจะจุดยังต้องจุดให้จุดขวาหรือซ้ายก่อนในขนาดนั้นนะ ด้านขวามือด้านซ้ายมือก่อนกันขนาดนั้นฉันไปฉันจุดซ้ายโอ้โหทำหนีฉันใหญ่แล้ว <c oughs> ก็ถามฉันไปพูดด้วยไงเขามองจ้องยันใหญ่เลยฉันบอกว่เาเามื่อกี้ผมจุดซ้ายก่อนเนี่ยพวกท่านคิดเห็นยังไงไม่ถูกตามศาสน า, าพิธีคเขาก็เนี่ยท่านเครื่องไหมเครืองครับดูเหมือนท่านอาจารย์ไม่รู้เรื่องนี่งไงผมต้องการอยากให้ท่านรู้ว่าท่านเน่ยยึดติดด้วยทิฏฐิแล้ว เนี่ยท่านยึดติดมากไปแล้วพอผมไปจุดซ้ายก่อนแค่นั้นท่านขัดเครืองทันทีใช่ไหมผมต้องการอยากให้รู้ว่าไอ้คำว่าสีรับพตูปาทานมันเป็นแบบนี้มันต้องไม่ขัดเครื่องมันต้องฉลาดด้วยในคำสอนในในในวัฒนธรรมในประเพณีเนี่ยไปตามที่ต่างๆมีแต่พระพุทธเจ้าเทียนไม่มีท่านจะว่างไงโทษไม่มีจะว่างไง แต่มีแต่ดอกไม้ท่านจะเอาไปบูชาพระเจ้าไหมอาจารย์ถามเขาเอาบูชาครับแล้วผิดไหมไม่ผิดครับนี่ไงแล้วผมทำโดยผิดด้วยผิดใจท่านไงมันขัดเคืองว่าผมไปกระแทกทิฏฐิท่านเพราะท่านมีความเห็นว่าต้องจุดขวาก่อนแต่ผมจุดซ้ายอะ่ะอย่างนี้เป็นตอนเข้าใจไ้ย ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้เป็นนั่นก็คือให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะล็อกความเห็นไว้เป็นความเห็นเป็นทิฏฐิทัศนคติความเชื่อแล้วยึดติดโดยไม่รู้เหตุผลสองยึดรูปแบบวัฒนธรรมประเพณีเพาะนั้นเธอแล้วเป็นเสียรัปโตปาทานเป็นอุปาทานยึดข้อปฏิบัติยึดรูปแบบยึดแบบแผนว่าอย่างนี้เท่านั้นถูก ถ้าเป็นทหารก็ลงโทษกันเลยว่างั้ น, นโอ้ถ้าผิดแค่เนี้ยโอ้โหลงโทษกันนะสั่งซ่อมกันเป็นว่าเล่นเลยพืดนๆๆๆเลยขนาดนั้นเลยนี่ใช่ไหมแต่ไม่บอกเหตุผลถ้าบอกเหตุผลเขาไม่เป็นไรที่ฉัน้นที่ผมสั่งซ่อมคุณเนี่ยเพราะว่าที่เนี่ยเขามีมีให้มีกติกาตกลงร่วมกันอย่างนี้ถ้าทําผิดก็ซ่อมแต่ไม่ใช่กติกาแบบเนี้ยมันเปลี่ยนได้เมื่อถึงการเวลาแต่ตอนนี้ยังไม่เปลี่ยน แต่คุณไม่ต้องไปยึดนี่มันเป็นกติกาที่ตั้งไว้ในยุคนี้ในสมัยนี้ลองย้อนยุคทหารเนเกาะสมัยก่อนที่มีระเบียบแบบนี้ที่ไหนไม่มีย้อนไปก่อนหน้านั้นใช่ไหมที่เริ่มมีทหารแรกๆเลยในประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงไม่มีระเบียบแบบนี้ด้วยแล้วแต่หัว ห, ห, ห, หน้าจะคิดขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของหัว ห, ห, หน้าแล้วพูนํากองทัพแต่ละยุคแต่ละสมัยเป็นต้นด้วยสมัยก่อนเน่ยเขาเรียกว่ายังไงใครมีช้างมากที่สุด ก, ก็ก็เป็นใหญ่อะเพาะงั้น ปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนจากช้างเป็นรถถังใช่ไหมก็อันเดียวกันนั่นแหละเจ้ากรมช้างเนี่ยสมัยพันดาราหาราชก็เจ้ากรมช้างอดีตก็คือพระเพทราชาเป็นเจ้ากรมช้างที่ทําการปฏิวัตริรตัฐประหารพันดาราหาราชขึ้นมาแล้วก็สถาปนาตนเองเป็นพระเพทราชาใช่ ไ, ไหมออกหลวงสุรศักดิ์ลูกชายก็เป็นเจ้าพระยากโมโรมบอลวังหน้าเนี่ยนี่เราก็ให้ดูประวัติศาสตร์มาแล้วปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกพระบทบล เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเออก็ได้เข้าใจว่าอ๋อเป็นอย่างนี้แต่ละยุคแต่ละสมัยเปลี่ยนแปลงมายัางไงยังไงยังไงอ็เข้าใจนี่อ๋อมันเป็นรูปแบบแต่ถ้าไปยึดขึ้นมาเป็นศีลและประตูปาทานเป็นอุปโดยไม่เข้าใจเหตุและผลเอาเป็นเอาตายกันเลยนะเรื่องรูปแบบเห็นไหมศีลเนี่ยว่าเราปฏิบัติตามยึดรูปแบบอย่างนี้ถ้าเราไปยึดด้วยทิฏฐิแต่ว่า เข้ามองอยังไง ร, ระเบียบกติกาข้อตกลงร่วมกันเนี่ยมันเป็นความงามที่เป็นข้อฝึกเราจะฝึกกายฝึกวาจาแล้วก็พัฒนาสภาพจิตใจให้ได้สุขสมนัสแล้วก็สมาธิแล้วก็พัฒนาสู่ปัญญาได้ก็เพราะระเบียบแบบแผนนี้มันมีความงดงามเนี่ยถ้าอย่างนี้ชัดเลยมันเข้าใจมันไม่ยึดติดแล้วก็คอยจ้องตำหนิคนอื่นที่ทาไม่ถูก ใช่มันก็เลยยึดติดกันแล้วก็เป็นทุกข์ด้วยนะเห็นคนอื่นทําผิดเป็นทุกข์มาเป็นไหมเป็นทุกข์ไหมเวลาเห็นคนอื่นทําผิดแล้วเป็นทุกข์ไหมยอาต่อไปอัตวาทุปาทานออัตวาทุปาทานหมายถึงความยึดมั่นวาทะวะตน คือความยึดถือสําคัญมั่นหมายวันนี้นั่นนี่เป็นตนเช่นการมองเห็นเบนจขันว่าเป็นอัตราอย่างหยาบหยาขึ้นมาเช่นยึดถือมั่นหมายว่านี้เรานั่นของเราก็จะเป็นเหตุแห่งการแยกพวกเราพวกเขาเป็นการถือพวกเห็นไหมไอตัวเนี้ยตัวไปยึดมั่นอาแสชีวิตตัวมันเป็นอัตราตัวตนแล้วก็อันนี้เป็นเราอันนั้นเป็นเขา อันนี้ลูกเราอันนี้พ่อเราแม่เราป้าเราน้าเราอันนั้นพวกอื่นมันเลยแยกเลยในะพวกอัตวาทุบาทา น, นี่มันแยกเป็นพวกพวกแล้วทหารใช่นไหมนี่นี่ทหารนั้นตำรวจอันนั้นโคใช่ไหมอันนั้นหมออันั้นพยาบาลอันนั้นพ่อค้าอันนั้นชาวนาชาวไร่ชาวสวนนักศึกษานักเรียนโอ้โหมันแยกพวกกันหมดเลยทีนี้เพราะอะไรเนี่ย อัตวาทุบาทานนี่แหละมันไม่เห็นด้วยความเป็นกระแสชีวิตไม่ต่างกันเลยกระแสชีวิตแต่มันบัญญัติที่ต่างกันมันก็เลยแยกสิแต่เนี้ยแล้วมันยังแยกอีกนะทหารก็ยังบอกว่าเรือเนี่ยทับเรือนี่นี่บอกนะเว้ยนี่อากาศนะเว้ยนี่หน่วยอะไรอีกแต่เนี้ยโอ้โหยังแยกอีกในบรรดาบอกยังไม่แยกอีกเยอะเลยแต่เนี้ยอ่าอันนี้นี่นี่นี่นี่นีล่มนี่นนี่นนี่บกหมอกแดงอันนี้พวกนี้หมอกแดงนะว่า ไอ้พวกนี้อย่ายุ่งกับมันมากนะพวกนี้พวกหมกแดงนี่พวกนี้โหดหน่อยว่ากันสมมติไงนะอุ้ย ύ, ถ้าเรือก็หน่วยซีนเลยเนื้อๆโอ้โหนไอ้พวกเนี้ยฝึกหนักว่างั้นเนี่ ย, ยมันก็เลยเป็นแยกเขาใจอ่ะมันมาจากอะไรเนี่ยอั ต, ตาวาทุปาทานนี่แหละไปยึดมัน่นใช่ไหมในอัตตาตัวตนว่าท้าวา ต, ตัวตนไปยึดมั่นว่าอันนี้เราอันนี้ลูกเรานี่พ่อเราแม่เรา พวกเราภรรยาเราเนี่ยมันยึดอย่างนี้นะยึดกระแสชีวิตว่าเป็นกลุ่มเราพวกเราแล้วนะไม่พอเนีบ้านเรารถเราเงินเราที่ดินของเราเกียรติยศของเราเนี่ยมันเป็นเนี่ยยึดสิ่งที่เนื่องโดยตนแล้วแต่นี้มันพวกเขานั้นก็ที่ดินเขาโอแยกไปหมดเลยทีนี้นะครับนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่รู้ความเป็นจริงของกระแสชีวิต แท้ที่จริงมันก็คือรูปขันเวทนาขันสัญญาสังขารวิญญาณขั น, น, ขนมันก็คือกระแสะชีวิตหนึ่งหนึ่งนั่นเองเมื่อกระแสะชีวิตกับกระแสะชีวิตเนี่ยมันมาัญญัั ด, ดเราไปพอไปเห็นผิดขึ้นมาปุ๊บมันก็เลยไปใส่สมมติซับซ้อนอีกเยอะมากพอใส่สมมุติซับซ้อนขึ้นมาเนี่โอ้โหตัวตนซับซ้อนมากฉะนั้นถ้าดูอย่างอุปาทานเนี่ย เป็นเหตุถือมั่นซึ่งอัตตาหรือสิ่งที่เป็นเหตุถือมั่นเพียงคําว่าอัตตาในขณะนี้สภาพที่กล่าวว่าเป็นตัวตนเป็นอัตตาเนี่ยที่บอกว่าอัตวาทะหรืออัตวาทุปาทานเนี่ยนะหมายถึงความติดใจยึดมั่นในขันห้าของตนและทั้งของผู้อื่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเนี่ยยึดมั่นโดยสัจยะทิฏฐินะรูปขันเห็นว่ารูป เป็นตนตนเป็นรูปรูปอยู่ในตนตนอยู่ในรูปเข้าใจคำว่าเห็นรูปเป็นตนไหมเห็นผมว่าเป็นเราเห็นขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่เป็นเราเนี่ยเห็นนะเนี่ยใช่ผมเป็นเราไหมเนี่ยเราเนีะเนี่ยไอ้ผมเนี่ยคือเราใช่เห็นว่าผมนี่เป็นเราเลยนะ แล้วก็บอกว่าเราก็อยู่ในผมนั่นแหละเราก็อยู่ในผมนั่นแหละแล้วก็ผมนั่นก็อยู่ในเราเราเป็นผมใช่ไหมเรากับผมนั้นอันเดียวกันไหไปเห็นเป็นอันเดียวกันเลยเห็นไหมมันยึดขนาดนั้นนะเรากับผมน่ะมันอันเดียวกันว่างั้นนะแล้วเราก็อยู่ในผมผมก็อยู่ในเรา มันสรุปมันถึงเป็นเป็นตัวตนของเราไงมันเห็นขนาดนั้นน่ะเนะเห็นเห็นผมเป็นเราเห็นเราเป็นผมแล้วก็เห็นผมอยู่ในเราเราก็อยู่ในผมมันเห็นไงจริงๆถ้าใครถอนผมหรือมันดึงผลผมใช่ไหมใช่ไมมันมันดึงผมเรา ใช่ไหมมันดึงผมเราอะใช่ไหมนเนี่ยถ้าอยู่บนหัวถ้าหไหนว่าเราเอามือจับที่ผมออ <c oughs> ืมันจับหัวเราใช่ไหมมันจับหัวเราเนี่ยเพราะงั้นแต่มันยึดขนาดนั้นน่ะใช่ไหมมันเห็นว่าเห็นไงเห็นว่าหัวเนี่ยเป็นเราเราเนี่ยเป็นหัวหัวอยู่ในเราเราก็อยู่ในหัว โมันเห็นกันนะนี่เห็นตานะ่เป็นเราเราน่เป็นตาตาอยู่ในเราเราก็อยู่ในตาทุกอย่างในรูปขันมันเห็นอย่างนี้หมดเลยนะมันแยกไม่ออกมันก็นึกว่ามันมีอัตตาตัวตนเป็นแก่นเป็นแกนเป็นแทรกอยู่ในผมคนละฟันหนังเนื้อไม่ได้เห็นว่ามีตัวตนไปแทรกอยู่จริงๆมันยึดขนาดนั้นจริงไหมล่ะมันมีที่ไหนแล้วความเข้าใจผิดมันเป็นความเห็น มันความเห็นที่ผิดมันไม่มีอยู่จริงเพราะทุกสิ่งทุกอ ย, าย่งยางยมันเกิดดับสืบต่อเพราะความไม่ฉลาดมัน ไ, ไเห็นแบบนั้นเพราะความไม่เข้าใจมันเคยมาแกะองค์ประกอบในพุทธศาสตร์นาถึงสอนให้เอาองค์ประกอบนี้มาแกะมาแ ย, แยกแยกหมดเลยมันไม่มีอุจจระที่เราถ่ายออกไปเนี่ยเราเห็นเป็นเราไหมเราถ่ายออกไป หลุดออกจากก้นเราแล้วเนี่ยเป็นเป็นเราไหม <c oughs> ใช่ไหมแล้วเราทําไมไม่ทิ้งขันห้าเหมือนกับการถ่ายอุจจาระออกจากกลล้นเลยไม่อะไรอวรมันเลยใช่ไหมล่ะไม่อะไรอวร์เหมือนคนไปถ่ายอุจจาระเสร็จแล้วมีอะไรอวร์ไหมแล้วทําไมเราอะไรอวร์ในขันนี้ซึ่งมันเต็มไปด้วยอุจจาระและปัสสาวะเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการอะไรต่างๆทําไมเราไปยึดติดกันขนาดนั้น เมือนะ่อไหร่เนอเราจะยึดเราจะเลิกยึดกายนี้เหมือนการถ่ายอุจจาระลงในส้วมเบดเสร็จก็ลุกหนีไปเลยไม่อะไรไม่อยากไปดูมันเลยว่ามันเดี๋ยว <c oughs> เนียนทาได้ไหมว่าไม่อะไรวอนรกายนี้แล้วเหมือนกับการถ่ายอุจจาระลงในส้วมมันจะต่างอะไรกันมันก็คือส่วนหนึ่งของกายนี้ใช่ไหมมันหลุดออกมาน้ําลายที่หลุดออกมา น้ำเลือดน้ำเหลืองที่มันหลุดออกมาปัสสาวะที่หลุดออกมาอุจจาระที่หลุดออกมามันก็คือกายนี้แหละกายมันเป็นแบบนี้มันไม่สะอาดอย่างนี้มันไม่เที่ยงอย่างนี้มันไม่ยั่งยืนอย่างนี้มันไม่คงทนอย่างนี้มันแตกดับอย่างนี้มันเพียงพอหรือยังที่จะเบื่อหน่ายเพียงพอหรือยังที่จะคลายกำหนัดเพียงพอหรือยังที่จะเลิกความยิ้นยิดยึดถือสัทีมันไม่มีเรามันไม่มีของเรามันไม่มีของใครมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยยังเมื่อไรจะเข้าใจสักทีทำไมมึนนานเหลือเกิน ทำไมมันงงในชีวิตนานแล้วเกินเนี่ยนะใช่ไหมทำไมมั น, มน ง, งงนานแล้วเกินเนี่ ย, น, ย น, นั่นยุนึกว่าเอ๊ะแปลกจริงนะไม่รู้ว่ารูปเป็นเราเนี่ยเราเป็นรูปมันรูปไปอยู่ในเราสิาอ่องนะเราอยู่ในรูปมันไปหูงขนาดนั้นเลยนะมันไปเอาไอ้ไอ้ดอกไม้นยนะ ดอกไม้มันอยู่ในกลิ่นกลิ่นอยู่ในดอกไม้ใช่มใช่ไหอมันอยู่มันไม่เข้าใจเหตุปัจจัยทั้งนั้นในการตั้งประเด็นคําถามแบบเนี้ถ้าเข้าใจเหตุปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับใช่ไหมหลักการเป็นอย่างนี้ใช่ไหมล้วแต่เราไม่เข้าใจเหตุปัจจัยให้ครบวงจรมันแล้วก็ไปสําคัญผิดเหมือนไปเข้าใจว่าเวทนาเวทนาเป็นเราอะไอสุขสุขเน่ย สุขเวทนาสุขใจเป็นเราทุกเวทนาเป็นเราทุกกายก็เป็นเราทุกใจก็เป็นเราสุขกายก็เ <ROS> ป e> ็นเราทุกกายเป็นเราเห็นไหมมันกลายเป็นเห็นว่าเวทนาเป็นเราเทนี้ยังเปสำคัญว่าเราะเป็นเวทนาเราสุขเราทุกเราเฉยเฉยเราดีใจเราเสียใจแม่เห็นมเห็นไหมแล้วก็เห็น เห็นเราอยู่ในเวทนาเราไปอยู่ในสุขเวทนาเราไปอยู่ในทุกขเวทนาเราไปอยู่ในเวขาเวทนาเรือเวทนาก็อยู่ในเราสุขเวทนาก็อยู่ในเรานี่แหละโ <Overwatch> ทมานะเวทนาสองมนะเวทนาเวขาเวทนาก็อยู่ในเรานี่แหละไปเข้าใจแท้จริงเวทนาก็เป็นสภาวธรรมไอ้ความสำคัญผิดว่าเวทนาเป็นเราเนี่ยมันเป็นทิฏฐิเป็นความเห็นผิด เพราะไม่มีปัญญาเขาไม่รู้ความจริงอเวทนาก็เป็นสภาวธรรมเวทนาเกิดจากภาษาใช่ไหมเมื่อภาษาเกิดเวทนาก็เกิดภาษาดับเวทนาก็ดับถ้าภาษาที่เป็นปัจัยแก่ิดทุกเวทนาเกิดถ้าภาษาที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอิสุกอิสุกเวทนาเกิดภาษาที่เป็นเชื่อมกันก็เป็นเหตุปัจจัยก็ะต่อให้อุเบขาเวทนาอุเบขาเวทนาก็เกิดทั้งหมดนี้มันมีเหตุปัจจัยของมันอยู่มันไม่เล่าใช่ไหมความเข้าใจผิดนีมันเยอะองนี้เป็นต้นพอมองเห็น หม ด, ดเวลาแล้วเดี๋ยวไว้ต่อสัญญาสัญญาคือความจําจําในสีเสียงกิดีดรถจำในสีเขียวเสียงความจํานี่แหละไอ้ตัวการกระทําเครื่องหมายนี่แหละสัญญาเป็นตนเป็นเรา ไ, ไอ้ตัวสัญญาความจําได้หมายรู้ทั้งหลายนั่ น, น, นคือเราแล้ววันที่ตัวเราก็ไปอยู่ในสัญญาเราจําได้เราจําได้ สัญญาอยู่ในเราเราก็อยู่ในสัญญามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยกับกับอัตตาตัวตนเนี่ยก็คือมันเป็นเราเป็นเนื้อเป็นตัวเรียบร้อยไปแล้วสังขารก็คือจิตที่เป็นบุญเป็นบาปจิตที่เป็นสุขเป็นทุกข์จิตที่ดีใจเสียใจจิตที่เศร้าหมองจิตที่โกรธจิตที่โลภจิตที่มีเมตตาหรือไม่มีเมตตาทั้งหลายเนี่ยอันนี้เป็นเราพูดงั้นเดียวแล้วก็เราก็อยู่ในสังขารสังขารอยู่ในเราเราก็อยู่ในสังขารวิญญาณเน่ยเห็นเนี่ย การเห็นการได้ยินใครเห็นใครเห็นเราเห็นใช่โอ้เนี่วิญญาณเป็นสำคัญว่าจักขคูวิญญาณที่ทำหน้าที่เห็นเนี่ยเป็นเราเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นผู้ไปเห็นใช่ไหมทีนี้ยังยังไปเห็นต่อว่าตนเราเนี่ยเป็น เป็นวิญญาณเราเป็นผู้เห็นการเห็นก็อยู่ในเราเราก็อยู่ในความเห็นใครได้ยิน <c oughs> แท้จริงโสตวิญญาณได้ยินแต่เราไปสำคัญผิดว่าเราได้ยินคานะวิญญาณเนี่ยเป็นผู้ได้กลิน่นแต่เราไปสำคัญว่าเราได้กลิน่นชิวหาวิญญาณเป็นผู้รู้รสไม่เป็นสภาวธรรมแต่เราสำคัญว่าเราเป็นผู้รู้รส กายวิญญาณรู้ผลถ้าพลาเย็นร้อนแต่สำคัญว่าเราเย็นเราร้อนเห็นไหมมันเข้าใจผิดเพี้ยนหมดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะอุ ป, ปาทานเพราะอุ ป, ปาทานนี่ไปสำคัญว่ามีอัตตาตัวตนนี่เป็นอัตวาทุ ป, ปาทานชัดเลยนั้นมันเห็นได้ด้วยสุดตาก่อนแล้วก็ใช้จินตาไปไข่ควรไปวิจัยให้เข้าใจให้ลึกซึ้งกว่าเดิม แล้วก็จนสามารถใช้ยานปัญญาไปประจักษ์ชัดเห็นได้จนถ่ายถอนได้ก็เป็นภาวนาเมยปัญญาโอเคยัง okay. <laughs>